พระอาจารย์ครั บ, รบกรน้อมรัศกรครับผมเจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผม <c oughs> ก่อนเข้ารายการขอโอกาสครับอาจารย์ครับพระเชาพระอาจารย์ไปบิงธรรม บ, บัดคนไปใส่เยอะไหมครับผมก็ <c oughs> ประมาณเราเดิมะมสี่ร้อยสี่สิบคนนึงโอแล้วถ้า<ค>ออนไลน์<า> จะมาวันวันพ่อเนี่ยวันพ่อมันมันศพนี่เก้าร้อยกว่าโอ้หกเก้าร้อยกว่าเกือบพันอีกแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันพระด้วยแลก็เป็นวันพ่อมันมันที่ฮ่าแตงมาครับผมเลยมากเป็นพิเศษครับทางออนไลน์ก็เยอะไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ประมาณเท่าเดิมประมาณห้าร้อยคนนดโอ้สาธุครับผม แล้ไปฟังธรรมเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ก็หกร้กว่าหนึ่งร้อยหกร้อยร้กกว่าครับผมรวคกันก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าครับอาจารย์ครับตอนนี้ท้งนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าเช่นกันครับอาจารย์ครับผ ม, อ, มอาจารย์ครับอาจารย์สอนเสมอเลยเรื่อง อยากไม่อยากทุกข์ก็อยากอยากครับวันนี้ก็เลยจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ถึงพวกเราจะทํำยังไงให้ละความอยากได้ครับผมกราบขอความเมตตาครับความอยากที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจสีเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายใจเครียดกับเรื่องราวต่างๆทีนี้จะทําไงที่จะหยุดความอยากได้ ถึงแม้จะรู้ด้วยปัญญาว่าเวลายอยากแล้วทุกข์แต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้คนที่อยากดื่มกาแฟเนี่ยเวลาความอยากเดินขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ดื่มเนี่ยมันจะรู้สึกหังวลลำคาใจจะทนไม่ไหวในที่สุดก็ต้องไปดื่มมัอนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเลิกดื่มเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยทําให้ใจสามารถช่วยความอยากได้ก็คือ การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตามสามขั้นนี้จะช่วยทําให้เราเรับความอยากง่ายศีลก็เป็นการห้ามห้ามโดยห้ามห้ามไม่ให้ไปทําตามความอยากผ่านทางกายหรืวาจาเช่นเดียเราถือถือศีลแปดเราก็ห้ามไม่ให้กินอาหารแลเครื่องดึ่มต่างๆจากเที่ยงวันไปแนะถ้าไม่อยู่ความอยากเราก็แม่ ไม่ทําตามความอยากเพราะเราไม่ศีลแต่ใจมันยังดิ้นอยู่จยังยังอยากอยู่ก็ต้องเราใช้สมาธิเป็นผู้ที่ม า, าทําใจให้นิ่งให้สงบเมื่อใจนิ่งสงบได้ความอยากก็จะหยุดไปชั่อคราวแล้วก็ว่าเอามาจากสมาธิมาความอยากก็จะกลับมาใหม่ตอนนี้เราก็ ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยากและสิ่งที่อยากก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวให้ความสุขเราได้ชั่วคราวเช่นกับแฟดื่มแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วความอยากหม่ก็จะเข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยๆนเวลาเกิดมีความอยากเราไม่เล่นเสดงสิ่งที่อยาก ก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมาก็คือสรุปว่าต้องเห็ปัญญาต้องเห็นว่าความอยากนี่เป็นตัวทําให้ใจทุกข์แล้วก็สิ่งที่ใจอยากได้มันก็ทําให้ใจทุกข์เพรมันไม่เทียงมิเชลานอาจายนะ์าาราครับเสียงโอเคเกาะออกครับเสียงพระอาจารย์กลับมาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้หายไปแป๊บหนึ่งครับะอาจารย์ขับ อ, ขออกมันจะเป็นเรื่องสัญญาณ แต่ก็คือต้องต้ อ, ตอมีปัญญาหเห็นโทษของความอยากว่สิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเช่นอยากได้ลาวโยชน์สรรเสริญเนี่ยมันเราจะมองแต่ด้านบวกคือด้านตอนที่เราได้มาแต่เราจะไม่คิดถึงด้านลบคือเวลาที่มันเสื่อมไปต้องมองทั้งสองด้านทั้งด้านบวกและด้านลบวเวลาจะได้ไม่อยากเออพราะเราไม่อยากจะทุกข์เวลาที่มันเสือ่อม และการที่เราจะเห็นโทษของความอยากก็คือเราต้องมีจิตที่สงบมีสมาธิเวลาจิตสงบนี้ความอยากมันจะหายไปจิตจะมีความสุขแต่พอจิตพอเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้มันจะมาทำลายความสงบของจิตก็เลยทำให้เห็นว่าเวลาอยากอะไรขึ้นมานี้ใจก็เริ่มทุกข์แล้วนี่คือปัญญาจะเห็นสองอย่างเห็นว่าความอยากนี้ทำให้ใจทุกข์ ว่าสิ่งที่อยากได้ก็ทําให้ใจทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเขาได้มาแล้วแต่เรเื่องในการทัร้งหมดไปเจริญนาบก็มีการเสื่อมนาบเจริญยศก็มีการเสื่อมยศสรรเสริญก็มีเงินทา่าุขจากรูปเสียงกินเราก็จะมีทุกข์ที่มาจากรูปเสียงกินเราได้ถ้าเห็นได้ปัญญาว่าเห็นว่าเป็นทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงอ น, นอนิจจมานัตตาแล้วควบคุมบังคับมันไม่ได้ เราก็จะหยุดความอยากได้แต่ต้องหยุดด้วยถ้าถ้ามีสมาธิก็จะหยุดได้ถ้าไม่มีสมาธิใจไม่มีกำลังการที่เรามีสมาธิเข้าสมาธิได้แสดงว่าเรามีกำลังที่จะหยุดหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วพอเสริมด้วยปัญญาก็จะทำให้เราหยุดความอยากอย่างท้าวอ น, นเพราะเราไม่อยากจะทุกข์งั้งก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา สีก็ต้องในระดับสีแปดขึ้นไปมันจะสามารถสนับสนุนการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลาดับต่อไปได้ถ้าสีห้านี่มันยังไม่ดีกําหลังพอก็สีห้ยังสามารถทําตามความอยากต่างๆได้อยากดูหนังฟังเพลงอยากจะกินอาหารว่าละกี่เมื็อกินได้อยาจะรลื่อนหลับนอนกาแฟนก็ทําได้แต่พอถึงสีแปดความอยากเหล่ า, านี้จะถูกสกัดกันทันที ด้วยสีพอเราสกัดขันได้เราก็จะมีเวลาให้กับการมาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งหยุดความอยากแบบเชื่อข่าวพอหยุดความอยากแบบเชื่อข่าวได้แล้วเราก็จะเห็นเวลาเวลาความอยากหยุดใจก็นิ่งสงบมีความสุขเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็หายหายจากความสงบกลายเป็นใจที่เครียดขึ้นมา อันนี้จะเห็นชัดถ้าเรามีสมาธิใจถ้าเราไม่นิ่งเราจะไม่เห็นถ้าใจนิ่งเราจะเปรียบเทียบได้เวลาใจนิ่งไม่มีความอยากเพราอเวลาใจไม่นิ่งนิ่งมันเกิดจากความอยากขึ้นมาก็เลยทําทให้เราต้องพยายามหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขยังไงก็เ น, น, ก เ, ปนเป็นการ การทำงานของศีลสมาธิปัญญาสนับสนุนกลับไปถ้าเป็นหมอยังฟังไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มีคนโพสต์ถามกันนะขึ้นมาพอดีว่าและความอยากจะบรรลุธรรมล่ะครับอาจารย์อ๋อนี่ไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่เขาอยากบรรลุธรรมจะทําให้ดับความทุกข์นั่นถ้าเราไม่มีความอยากอยาบรรลุธรรมเราก็จะไม่ปฏิบททัติธรรมเมื่อเราไม่ปฏิบททัติธรรมเราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ ถ้าเรามีความอยากทําแล้วเราปฏิบัติทำเราก็จะสามารถเอาธรรมที่เราปฏิบัตินี้ไปดับความทุกขนะ์ได้ทั้งความอยากปฏิบัติธรรมความอยากรักษาสี่งความอยากไปบวชความอยากฝึกสมาธิความอยากพิจารณาด้วยปัญญานี้เป็ น, เ ป, นเป็นมรรคเป็นเป็นเครื่องมือในการละความอยากเหมือนยา่ะคนไข้ต้องต้องอยากกินยาถึงยาหาย เวลาหมอให้ยาไปแล้วคนไข้ไม่อยากกินยาไม่กินมันก็ไม่ไหายนะครับแต่ถ้าอยากกินยาเนี่ยเดี๋ยวพอกินยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะทาํางานทําหน้าที่รักษาโรคภัยแข้เจ็บให้หายได้ในการอยากรักษาตัวเองนี่ไม่ได้เป็นกินเนลสนะรักษาโรคภายแข้จิตบก็บเพียงนะครับอาจารย์ครับวันทีความอยากอยากอยากใหญ่ๆเนี่ยมันเห็นชัดก่อนครับ อพอตัดความอยากใหญ่ๆไปได้มันก็รู้สึกเบาอันนี้เห็นชัดแต่บางทีความอยากที่มันเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆอยเช่นไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางทีมันสติมันไม่ทันมันลงไปทุ ก, ก่อนแล้วมันถึงจะมาดีเทคได้จากคว่าทุกนั้นแล้วถึงย้อนกลับมาอ้าวเราไปอยากนี่นายครับอาจารย์เราจะต้องฝึกยังไงให้มันไวขึ้นนะครับอาจา ร, รย์ต้องมีสติให้ให้ให้ึหห้น พอพอเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาสติต้องรู้ต้องรู้แล้วว่ากราี่จ่เงินทุกข์ก็นนะใจพิจารณาหาเหตุทั้งของบาปทุกข์แล้วไปหยาด ก, กับอะไรอันนี้ก็จะมีอาศัยการฝึกสตินั่สมาธิจะช่วยทำให้เราสามารถเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นครับก็คือฝึกสติในชีวิตประจำวันตามปากตินั่นเลยใช่ไหมแล้วก็ น, นั่งสมาธิด้วยครับผมนั่งสมาธิ การไม่เน้นสมาธินี่จิตยังไม่เข้าข้างไใน ย, ยังมองไม่เห็นทุกข์ที่เกิดข้าไหนครับการฝึกสตินี่เป็นการดึงใจให้เข้าข้างไหนแต่จะเข้าข้างในได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าใจสงบหรือไม่ถ้าใจสงบจะแสดงว่าจิตขนะเข้าข้างในนะนี่พอเข้าข้างในเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะรู้สึกทันทีเลย บางทีหลงหลงทุกไประยะเวลาหนึ่งแล้วก็ถึงรู้ว่าอยากแล้วแล้วค่อยมาคิดว่าอยากอะไรแล้วก็ไปละความอยากอันนั้นมันก็เลยใช้เวลาเยอะนะครับอาจารย์ใช่เพราะว่าเราไม่มีสติเรายังไปหลงอยู่กับสิ่งภายนอกอยู่รเราเทําให้ร้องมองไม่เห็นความทุกขที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วสะสมประการณไปเรื่อยๆนะครับแล้วปัญญาก็จะเริ่มทํางานเร็วขึ้นเร็วขึ้น รู้ทันเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวับมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำกันได้ทีวันสองวันแล้วบรรูุบางผลนี่ผ่านได้คูบาอาจารย์ท่านแต่ลุนอะไรประวัติของหลวงตามาบัวนี่ท่านบรรลุในปัญหาที่สิบหกมั้งท่านบวชในมาสิบหกปีด้วยกันท่านยงบรรลุได้ครงปู่ม่านนี้ท่านจะบรรลุช่วอายุปลายปลายชีวิตของท่านอายุหกสิบนึง หกสิบเจ็สิบที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่ที่ป่าในเชียงใหม่อยู่ตามลำพังนะท่านไปบำเพ็ญในช่วงนี้อายุหกสิบถนะึงเจ็ดสิบแล้วอีกสิบปีสุดท้ายของชีวิตท่านก็มามาสั่งสอนมาสแสดงทธรรมตัวพระเนรนะยดอยู่จนอายุแปดสิบท่านก็มรณภาพไปเน่ยคนปฏิบัติทางนี้ต้องใจยเย็น อย่าที่มีค่อขก็ูว่ากรงรมไม่ได้สร้างในภายในวันเดียวคนิพานคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างนิพานขึ้นมาก็ไม่ใช่เป็นของที่จะสร้างมาได้ในวันเดียวก็ลองรักษาศีลแปดเลยหรือรักษาได้สกี่วันกันครับกับพระพคุณพระอาจารย์ครับผมจะฝึกฝนสติต่อไปครับผม ถ้าอยากจะให้สติเข้มข้นก็ต้องไปเปรตวิเวกอยู่คนเดียวที่ได้มีเวลาฝึกสติได้ทั้งวันอย่ถ้าเราฝึกสติในในเวลาที่เราทํางานเกี่ยวข้องวันนั้นมันไม่ทันอเวลาเกี่ยวข้องวันนั้นคราวนี้เราไม่มีสติแล้วเราไปอยู่กับไเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้เป็นไม่ได้เราเล็กเลิอยู่กับพุถุธเลิกอยู่กับการควบคุมความคิดว่ามันต้องคิด ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับคุณแว่นครับบอกว่าพระเห็นผู้หญิงกําลังจะจมน้ํขนาขณะนั้นไม่มีคนอื่นอยู่บริเวณนั้นเลยหากพระไม่ลงไปช่วยปล่อยให้ตายไปพระจะบาปไหมครับและถ้าพระลงน้ําไปช่วยจับเนื้อต้องตัวพระจะเป็นอาบัติหรือไม่ครับถ้าไม่ช่วยก็ไม่บาปปล่อยให้เป็นกรรมของคนนั้นไปถ้าช่วยก็อาบัติเพียงแต่ว่า มันก็มีกรณีที่มีคนเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องล่า น, นี้อยู่ในหลวงทานก็มีเรื่องขอ ง, งลูกตารุ่มนึ่งท่านบวชมานานแล้วแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปรับทินิมนต์กับพระพระบวชใหม่ขากลับเดินท่านก็เดินกลับวัานนี่ต้องผ่านลำห้วยช่วงนั้นเป็นช่วงดูฝนน้ำหลากหลายเชี่ยวก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งคนชร า, าผู้หญิงคนแก่ นั่งหน้าตาเศร้าหมองอยู่หลวงตาเลยกถามว่าทําไมมันนั่งเศร้าหมองอย่างนี้มีอะไรหรือเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับบ้านแต่ต้องข้ามเหล่าห้วยแล้กเดี๋ยวจะเดี๋ยวกล จ, จะลม้มแล้วจะถูกน้ําพัดไปหลวงตาว่าเอาไม่เป็นไรแล้วท่านก็อุ้มหญิงชรากนนั้นเดินข้ามห้วยไปครับเสร็จแล้วท่านก็เดินโดยกลับวัดไปส่วนพระที่บวชใหมน่นี้เข่งในวินยัยศึกษาพระจับต้องผู้หญิงไม่ได้หรือเ หลวงตาทำนี้ได้ไงมันผิดศีลไม่ใช่เลยใจก็คิดคุ้นคิดอยู่นั้นสงสยัยจะนัน่นกลับไปถึงวันก็เลยทนไม่ได้เลยแต่กล่าทางหลวงตาว่าหลวงตาเมื่อกี้หลวงตาทำาบัาปไม่ใช่เหรอไปจะต้องทุกอีกหลวงตาท่านบอกว่าไงว่าท่านบอกกูปล่อยมันตั้กแต่อยู่ที่รังทานแล้วมึงยังไม่ปล่อยเลยครับ <c oughs> ใจท่านไม่มีกิเลสนะทํานไม่ได้ทําด้วยกิเลสท่านทําด้วยความเมตตาครับ <c oughs> แต่ถ้ารับการรับพระวินัยก็ผิดนะเป็นผู้เป็นพาะไป่แต่งผู้หญิงไม่ได้ครับก็มีขั้งหนึ่งวันสมัยที่พระเจ้าเสด็จกลับจากออกจากตัสสรุแล้วก็เสด็จกลับไปเยี่ยมที่พระราชวังแล้วก็ต้องไปเยี่ยมภรรยากับเนี่ยพระเจ้ก็เอาผ้าสาลิบุตรไปด้วยมาไปพยาบ้าตามพระวินัยะพระผู้เจ้าสั่งไว้ว่าสาลิบุตรเธอเฉยๆเนี่ยถ้าเขาทําอะไรกับเราเธอเธอไม่ต้องทําอะไรแล้วก็จริงเนี่พอไปเจอ ผู้หญิงนะภรรยาก็เภาวนาเข้าก่อนในทันทีเพราะไม่ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแต่มันก็เป็นเรื่องของเรื่องของทางโลกเขาแต่ผู้หญิงก็ก็อยากจะเข า, าก็ยังคิดว่าเป็นสามีเขาอยู่ใช่ไหมแต่พักเราไม่มีอารมณ์ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรนก็ปล่อยให้ไปไปว่าถ้าไม่ให้ก่อนเด็วก็จะเศร้าโศกเสียใจน้องหองน้องห้างขึ้นมาเอ ก็เลยปลอยให้ก่อนให้เต็มที่เสร็จแล้วขึ้นมาสอนในทีหลังว่าก่อนไม่ได้นะพระอะไรต่างๆเห็นพระแล้วบวดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมานะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาของเราคนโดยปกติเรากไม่ควรแต่ถ้าเป็นเรื่องเขาขาด บ, บาตายแล้วช่วยเขาได้ไม่ให้เขาตายนี่เราทำไมไม่ช่วยเขาเนี่ย ถ้าไม่นายถ้ามันจะผิดแล้วก็ผิดแค่เล็กน้อยได้กับแต่แตะเนื้อต้องตัวนันก็ไม่ได้ทําด้วยเจตนาลงไม่ได้ทำด้วยการลงไม่ได้ตั้หาความอยากทํำด้วยความเมตตาแต่คนที่บวชมาหรือคนที่ไม่เข้าใจพฤติธรรมวินัยสาเหตุของการมีวินัยแต่ละข้อมีไว้ทํามก็จะก็จะเข่งแบบเถิตรแต่ไม่ได้เลยจับไม่ได้เลย ต้องดูเจตนาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถึงจะดูเจตนาเป็นดังแล้วก็ดูเหตุการณ์ด้วยว่ามันสมควรหรือไม่สมควรเหตุการณ์นั้นมันมันจําเป็นนะถ้าช่วยเขาได้แต่มันจะไม่ช่วยเหรออาบัตรเข า, าปงง่ายแค่นี้ปองไปครับคุณกองถามบอกว่าถ้าเราเจอแบงค์ร้อยตกอยู่ตามถนนเก็บเอามาผิดไหมครับอาจารย์ ก็ผิดนะเาะไม่เป็นของเรานะแล้วเราไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของก่อนเมื่ก็ควรจะปล่อยให้มันอยู่ตรงที่เดิมที่ยว่าเป็นกระดาษใบนี้ก็จะเสษกระดาษไม่ใช่ของเราเราไม่รู้เจ้าของถ้าเรารู้เจ้าของแล้วเราหยิบไปให้เขานี่ก็โอเคช่วยเขาคืนอยู่ให้เขาเขาอาจจะโดนตกแล้วเขามองไม่เห็นเราเดินมาทีหลังเห็นเห็นเขาตกอยู่เราก็หยิบไปแล้วก็บอกเขา แต่ถ้ามีเจตนาที่อยากจะเก็บไว้ใช้อย่างนี้ก็ผิดนะครับถ้าเก็บมาเพื่อจะไปคืนเจ้าของถ้าไม่รู้เจ้าของนี้นาะนมันก็ลําบากอย่างนี้จะไปคืนได้ซุกปอดไว้ตรงที่นั้นน่ะถ้เจ้าของเขาเขานึกได้ว่าเขาอาจจะทําเงินตกแทนนั้นก็จะได้ดดกลับมาหาดูทีลขาได้เก็บมานี่เป็นภาระเลยนะครับอาจารย์ <laughs> เป็นภาระ คุณดำครับบอกว่าคนฆ่าสัตว์ในวันพระกับคนที่ฆ่าสัตว์ในวันที่ไม่ใช่วันพระคนไหนบาปมากกว่ากันหรือว่าบาปเท่ากันครับบาปเท่ากันการฆ่ามันไม่ได้อยู่ที่บาปมากบาแล้วไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่สัตว์ที่เราฆ่าว่ามีคุณมีคนณค่ามากน้อยเพียงไรถ้าเป็นมนุษย์นี่บาปมากกว่าฆ่าฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าค่ายนี่ไม่บาปเท่ากับการฆ่ามนุษย์แล้วการฆ่ามนุษย์นี่ก็ไม่บาปเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ ค่าบ้าอะมันมีความหนักเบาต่างกันเพราะบุคคลที่เราฆ่านั้นมมีมุ ม, ม, มีมีคนมีประโยชน์ต่างกันนั่นคุณเพชรจนีครับบอกว่าสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่ได้นั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญไหมครั บ, ร บ, บก็อยู่ที่ความสงบบุญคือความสงบใจถ้าเราสวดแล้วมความสบใจเราก็ได้บุญ แ้วบางน้อยก็อยู่ที่ครับสง บ, บในใจว่าสง บ, บมากสง บ, บน้อยสองวันก่อนฝันว่ากำลังจะตายเนาะบอกตัวเองว่าพร้อมแล้วรับได้ตื่นมาเป็นไข้หวัดร้อนหน้าร้อนตาปวดหัวแต่พอคุมอารมณ์ได้ขอเมตตาหัวข้อพิจารณาธรรมจากการเจ็บป่วยครับอาจารย์ครับาการเจ็บป่วยก็าารพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย เนื่องว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่อยากจะหายทันทีแล้วมันไม่หายมันก็จะทําให้เราทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเี่เราต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เมื่อถึงเวลาที่มันเกิดก็น้อมรํามันด้วยความด้วยความสุกทาใจปล่อยวางเฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นแล้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดเพราะความทุกข์เกิดจ า, คา ก, ค, กความอยากให้มันหายนี่เอหรืออยากให้มันไม่เป็นคุณนกถามว่าใส่บาตรด้วยปัจจัยทุกวันครับได้บุญเท่ากับใส่อาหารไหมครับได้สาหรับคนให้เน แต่เวลาให้น่าต้องให้ให้ถูกแนวของพระไว้หนอยถ้านไม่นี้ยิยาให้สใส่เป็นบาทยให้ฝากไว้ให้กับลูกศิษย์เป็นพู้เชื่อนให้คุณธรรมชาติครับปลูกต้นไม้ได้บุญไหมครับไม่ได้บุญหรอกว่าการปลูกต้นไม้มันก็เป็นเป็ น, ปนมันไม่ได้ทําให้ใครมี มีความสุขจากการปรับตัวง่ายของเราเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับคนหรือสัตว์จะเป็นบุญเนาะตอเมื่อเราได้ทําคุณเราประโยชน์ให้กับสัตว์หรือคนเช่นเลี้ยงสุนัขเนี่ยเนี้ยงสุนัขจรจัดเนี่ยเวลาเข้ามาเขาหิ่ข้าไม่มีข้าวข้าวกินนะพอเราเห็นว่าเขาได้รับความสุขจากการให้ของเราเราก็เกิดความสุขใจความสุขใจนี่ก็คือบุญนะ อาจารย์ครับถ้าคิดว่าปลูกต้นไม้เพื่อทําให้โลกอ่มีออกซิเจนอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์อย่างนี้ได้บุญไหมครับหรือปลูกเป็นอาหารให้คนอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ทําเพื่อประโยชน์ของผู้ครับมันก็ไม่เป็นบุญเช่นเราเราออกกําลังกายนี่ก็ไม่เป็นบุญเรากินข้าวหลับนอนนี่ก็ไม่เป็นบุญเพราะเราทําให้กับตัวเราเอง เราไม่ได้ทำให้ับคนอื่นที่ทําให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาจกากการกระทําของเราคุณพาเพลินถามว่าถ้าอยากได้รถใหม่เพราะว่ารถคันเก่าใช้มาหลายปีแล้วแบบนี้ถือว่ามีความอยากไหมครับเพราะว่ารถเก่าซ่อมแลค่ะใช้จ่ายมันเยอะครับมันก็มีความอยากมากอย่างน้อยแล้วแต่แล้วแต่บางคนถึงแม้ว่าเก่า ก, ก็ซ่อมไปเรื่อยๆซ่อมไปยังไงมันจะ วิ่งไม่ได้ซ่อมไม่ได้ถึงจะค่อยซื้อรถใหม่ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้ามันยอมจำ น, น้นด้วยเหตุด้วยผลนั่นขับไม่ได้แล้วคันนี้ทําซ่อมไม่ได้ส่ไว้เข้าอู่อู่าก็บอกซ่อมไม่ได้แล้วให้ขายอย่างเดียวคันนี้ก็ไม่เป็นกิเลสนั่นเป็นความอยากได้เขาต้องต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยความจําเป็นอย่าไปเปลี่ยนเพาความอยากเอ้มันเก่าแล้วมันยังมันยุ่งยากปัญหาเยอะอะไรอย่างนี้ มันก็เป็นความอยากอย่างไรคุณนัทธพันธ์ครับไม่มีที่ไหนดีกว่าปฏิบัติธรรมที่วัดปัญหาจากความคิดตัวเองผัสสะรอบข้างอยากหลบสังคมไม่อยากคุยกับผู้คนอยากอยู่เงียบคนเดียวอย่างนี้ผิดปกติไหมครับคือมันก็แล้วแต่ว่ามันอยากแบบไห น, นอยากเพราะว่าเราเราเกลียดคนไม่อยากได้อยู่กับคนนี้มันกงไม่ถูก ต่อยากพราว่าเราอยากจะหาที่สมบัที่เราจะได้บาเพ็ญนี้ก็ก็เป็นธรรมนี้ก็ต้องระวังที่เราอยากแบบพอเจอใครไม่ได้เลยกิความทุกข์าังเท็จไี่มาเลยอยันนี้ก็ไม่ถูกนักดีน่าจะต้องเจอคนมากว่าก็อย่าไปทุกข์กับเขาเวลาที่เราเจอกันพยายามเปลี่ยนไปปลีด่ตดัวเองไปจากเขาแต่โชคที่เจอกันก็อย่าไปอยากไม่เจอ เพราะความอยากไม่เจอก็จะทำให้เราจ่ายทุกขึ้นมาได้มันก็เป็นแบบเป็นเป็นเป็นเส้น้น้นหลับางที่สามารถเป็นกี่เลสก็ได้เป็นธรรมก็ได้คุณไวโรตัสครับขอโอกาสครับวิธีการที่ดีที่สุดสาหรับผู้ทุชนในการภาวนาเมื่อมีโรคประจำตัวที่ทำให้ร่างกายปวดตลอดเวลาถึงแม้จะไม่นั่งสมาธิก็ปวดคืออะไรครับเทียบระหว่างข้อที่หนึ่ง ดูสภาวะทุกขเวทนาด้วยสักว่าเพียงแค่รู้หรือว่าสองบริกรรมเบี่ยงความสนใจเช่นพุทโธพุทโธหรือปวดปวดปวดหรือสามใช้ปัญญาสอนจิตหรือใช้ทุกอย่างสลับไปได้แต่ตามแต่จิตมันจะทำของมันเองครับก็าแล้วแต่เราทำใช้แบบไหนได้ก็ใช้ไปเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปทุกกับความเจ็บปวดชุ่ร่างกายคุณมนตรีถามว่าการยอมรับ ถือว่าเป็นการใช้กรรมไ <altet> หมครับอาจารย์ครับการยอมรับก็คือการที่เราไม่ตอบโต้เรารับความอยากของเราอยากที่จะไม่ให้มันเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้มันเป็นแต่ถ้าเรายอมรับเราก็แสดงว่าเราหยุดความอยากไม่ไม่อยากให้มันเป็นได้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้กรรมหรือไม่ใช้กรรมการใช้กรรมมันก็มันก็เป็นโดยธรรมชาติจะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเมื่อมันมี วิบากเกิดขึ้นเมนกันเใช้กับแต่การนิ่งเฉยนี่เพื่อเป็นการดับความทุกข์ใจของเราเมื่อเราทุกกับวิบากกับมที่เกิดขึ้นก็ได้ขออนุญาตถามครับหากใจเผลอตั้งใจคิดไม่ดีต่อพระอริยเจ้าแวบเข้ามาในใจเราควรจะวางใจยังไงดีครับหรือนึกถึงพุทโธสติห้ามครับพระอาจารย์ไม่สบายใจครับ ก็เตินใจแตอว่าถ้าเรารู้ว่าท่านเป็นพระอริยะเราก็อย่าไปยุ่งพันอย่าไปอคิดไม่ดีกับท่านเพราะท่านไม่มีไม่มีความเลวร้ายอะไรกับเราท่านไม่เคยมีเพียงแต่ว่ามางทีจิตเราก็ชอบคิดไปทําที่ไม่ดีเราก็ต้องใช้สติปัญญาเตือนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ดีอย่าไปคิดห้ามปากห้ามใจ พระแถวบ้านชอบขับรถซาเล้งบินทะบาดครับพระเป็นบาปไหมครับมันมันไม่ได้เป็นธรรมเนียมของพระส่วนใหญ่พระจะบินทะบาดด้วยการเดินยกเว้นในในในสถานที่ที่มันจะเป็นเชน่นวันบางวันสมัยก่อนอยู่ติดแม่น้ำลำคลองบ้านยานอยู่ก็โยน่ติดแม่น้ำลาคลองพระก็จะพายเรือไป บ, บินทะบาทได้ ในบางแห่งที่อยู่ในป่าเนเขาบางทีต้องอาศัยนั่งช้างไปบินถบาตก็ไม่เท่าที่เคยอันนี้มันก็ขึ้อยู่กับเหตุผลมากกว่านะถ้าเป็นปกติถ้าเดินได้ก็เดินจะเป็นเป็นปกติของพระในการบินถบาตก็เดินบินถบาตกันแต่ถ้ามีเหตุสุริสัยปกติก็ต้อนั่งรดอย่างเรานี่ที่วัดที่เราเล่าวัดบ้านไม่ค่อยมีบินถบาตไม่ไม่พอฉันกันก็เลยต้อง นั่งรไปในในหมู่บ้านแล้วลงลงแล้วก็เดินเดินส บ, บายอันนี้ก็แ ล, แ, แ, ล แ, กแล้วแต่แล้วแต่ความจําเป็นเท่ากันแล้วแต่ความเหมาะสมคุณโยโย่ครับกราบขอปัญญาครับเพื่อนผมทําประโยชน์ให้ส่วนรวมแต่กลายเป็นไปขัดผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มจึงโดนเล่นงานรับหลังผมเห็นแล้วโกรธแทนเพื่อนขอวิธีรับมือทําให้ใจสงบครับ ก่อนเราจะทำอะไรต้องดูผลกระทบที่จตามมาก่อนถ้าทำจนได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้โทษอีกส่วนหนึ่งมางทีก็ชั่งน้ําหนักดูว่ามันคุมไหมถ้าทางเราไม่คุ้มก็อย่าไปทําดีกว่าแต่ถ้าพร้อมที่จะรับโทษจากการกระทําของเราก็ทําไปนี่พเพราะว่างทีไปทําอะไรแล้ว ม, มันมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้ผลกระทบผลเสียหายให้กับผู้ทําให้เขาโปวดแค้นปดเคร่งเราก็ได้ เราต้องช่างใจไว้ก่อนว่าเราจะเราจะทํำยังไงดีทําประโยชน์ได้แล้วก็เกิดมีโทษตามมาเรายินดีที่รับมันหรืได้ถ้ายินดีรับก็ทําไปถ้าไม่ยินดีรับก็อย่าทําดีกว่านะเพราะการไม่ทํานี่ก็ไม่ได้เป็นเป็นบาปแตอย่างใดเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญนั่นเองแล้วถ้าไปทําประโยชน์นี้ได้บุญบุญใช่ไหมครับใชนะ่ถ้าไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นถ้าผู้อื่นเขา บันเทาขังมิทุกยากเดียร้อนให้กับเขาได้ให้ก็เป็นืนคบับผมเจอคนหนึ่งเหมือนเคยผูกพันกับเขาแล้วผมก็ไม่สามารถจะลืมเขาได้ครับพระอาจารย์อันนี้เกิดจากอะไรแล้วจะทําอย่างไรครับเรื่อความรักความชอบมันเป็นตัวที่การพิจารณานี่จากไม่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เจอเขาไม่เลยหายไปแล้ว ถ้าไปคิดถึงเขาจะทำให้ใจเราทุกขึ้นมาตกปลาถ้าวม่อยากจะทุกข์ก็ให้เลือยอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปให้เราอยู่ในปัจจุบันการพูดแล้วทําให้คนอื่นมีความสุขใจถือว่าได้อานิสงฆ์ไหมครับได้ก็ใช ก, การแสดงธรรมนีน้จะทำให้คนื่นมีความสุขใจบางคนทุกขใจพอได้ยินได้ฟังธรรมแล้วความทุกข์ใจก็หายไป เป็นการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งบุกเพราะให้ อ, อื่กนก็อาจจะไม่ได้ดับความทุกข์ทางใจได้ให้ธรรมะนี้เป็นสิ่งเดียวที่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้คุณนาตาลิโกครับกาพาจารย์ครับตอนนี้ผมเลิกกับภรรยาแล้วแต่ก่อนจะเลิกกันผมคิดอยู่ตลอดว่าไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าไม่จากเป็นก็จากตายแต่พอวันนั้นมาถึงผมมีความเสียใจ แต่เข้าใจในความพัดพลากก็เลยไม่เสียใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่มีความอยากให้เขากลับมาหรือไปมองเห็นทุกข์ในความอยากได้ชัดเจนเหมือนได้เข้าห้องสอบตอนนี้จิตใจผมสบายมากเลยครับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่คอยสั่งสอนครับรคือเห็นระยะสัตว์สีเป็นยางนี้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่เทียมมีเจริญมีเสื่อมได้มีเกิดมีดับได้เราก็อยากไปยึดอยากไปอยากให้มันไม่ดับ มันดับก็ปล่อยมันดับไปเวลาเขาจากไปก็ปล่อยเขาจากไปใจเราก็จะไม่ทุกคุณวราครับเวลาที่เราโดนเอาเปรียบเราควรจะวางใจอย่างไรครับก็จใจเฉยๆก็แล้วกันถ้าทําได้ก็ปล่อยไปใครจะทำอะไรกนะ็ห้ามเขาไม่ได้คิดว่ามันดินฟ้าอากาศแล้เวลาฝนตกแดดออกเ ร, เราก็ห้ามไม่ได้ ถ้าเราไปอยากห้ามดินฟ้าอากาศเราก็จะทุกข์วันนี้อยาใช้ฝนตกาแต่ไม่ตกเราก็ทุกข์เนี่ยถ้าเร า, เร า, นะ า, เราปล่อยมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปมันจะไม่ตกก็ปล่อยมันไม่ต ก, กไปแล้วก็จะไม่ทุกกับเดินฟ้าอากาัศดังนั้นเราก็ต้องมองคนเหมืนดินฟ้าอากาศเป็นหน้าตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราก็กลุ้มบังคำไม่ได้ใครจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทำไปหลบได้ก็หลบหลี่ยงได้ก็หลี่หนีได้ก็หนีถ้ามันทําให้เราเกิดอันตรายกับเรา ถ้าหลบไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ก็ต้องทําใจว่าอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราแม้แต่พระโมกขลานั้นถ้าหนีไม่ได้ท้าว่าทําใจยอมให้เขาฆ่ตายหากมีหน้าที่ต้องทําเช่นเป็นตํารวจแต่ว่าถกลัวจะไปขัดผลประโยชน์คนก็เลยไม่ทําหน้าที่อย่างนี้เป็นบาปไหมครับอาจารย์เราเลิเรื่องงานได้ทำอาชีพต่างๆได้ อาชีพไหนที่มันมีปัญหาก็อย่าไปทํามันะทําอาชีพที่ไม่ไ ม, ม, มีปัญหาทำขายการเลี้ยงวัวขายเป็นบาปไหมครับคือถ้าขายก็ให้เขาไปฆ่าเขามันก็ไม่บาปเราไม่ได้ฆ่าเองเรไม่บาปแต่เราก็ไม่ควรที่เรจะทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้ให้มีการฆ่าวัวที่เราเลี้ยงขึ้นมาถ้าขายแล้วก็าวัวนะั้นไปทํำได้ไถนานก็ไม่เป็นไร ไ, ได้ คุณสมบัติครับสาเหตุที่มนุษย์มีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะเหตุใดครับวิชาความหลงมามไม่เห็นตายแล้วไม่เห็นว่าทุกสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ก็กลับไปเห็นว่าเป็นสุขเห็นราดเลืสลเสือรืร้รเสียงกิี๊ดแล้ว่าเป็นสุขก็กยอยากได้แต่พอได้มันแล้วถึงจะรู้ในภายหลังว่ามันไม่เที่ยมมีจริญเมืเสือ่อมได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้ พอเวลาหมดไปมันก็ทําให้เราทุกข์ึ้นมาถ้าเราเห็นตายแนละในทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่เราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีอะไรเพราะใจนี้สามารถอยู่ตามลำพังได้เราไม่ต้องมีอะไรถ้าหยุดความอยากได้แล้วใจจะสงบคําถามที่สองนี้เหมือนพระอาจารย์ตอบแล้วนะครับมีวิธีกําจัดความอยากอย่างไรนะครับก็ต้องปฏิบัติสิ่จสมาที่ปัญญาเป็นเครื่อง คุณสาธุครับบอกว่าการสวดมนต์จำเป็นต้องเปล่งเสียงออกมาไหมครับสวดในใจจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับกลัวว่าบุญไม่ถึงครับเราถ้าปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบในส่วนในใจจะดีกว่าเราไม่ต้องใช้น่างกายทำงานเราใช้ใจอย่างเดียวสวดเพื่อกาจัดความคิดต่างๆให้มันเบาบางเมื่อหายไปพอใจปราศจากความคิดหรือบาวางลงใจก็จะว่างเย็นสงบสบายขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมา หากอาหารที่บินทบาตมาไม่พอพระเนนทําอาหารเพิ่มเองได้ไหมครับเช่นเจียวไข่ยาปลากระป๋องครับทำเองไม่น่าแต่ให้ญาติโยมทำให้ได้ให้ลูกศิษย์ทําให้ได้ยำมันตานี่มีอยู่ครัง้งหนึ่งเท่าที่จำได้ไปบินธบาดแล้วอาหารไม่ค่อยมีเันนั้นขนตกหนักด้วยไแไม่ทราบชาวบ้านเขาก็ไม่มีอาหาไม่สามารถเอามาใส่บาได้ทวานก็เลยต้องอาใส่ปลากระป๋องอ พวกประกาศดองแล้วก็นมข้นมาเป็นนมข้นนี่ก็เป็นเป็นของหวานเอาช่อเหลียดจิ้มชวนปลากระป๋องกับผักประกาศก็มาทํายำกันแล้วก็หลักใส่บาตให้พระใช่อาศัยสมณเนนหรืออาศัยญาญโยนแต่พระทําเองไม่ได้นี่วินัยห้ามไม่ให้ปรุงอาหารทำปรุงอาหานี่แต่สมณเณนนี่ไม่ได้ถือศีลครบคําว่ายุ่งเจยิงก็ทําได้เพราะว่าจึงบานที่ต้องอาศัยเนเนบอเค ครับตกลงคข้ออะไรก็ให้เนรช่วยทําให้ครับอาจารย์ครับ ช, ช่วงนั้นมีพระเยอะหรือยังครับอาจารย์ก็ว่าสิบกว่าลูกไม่ถึงยีง่สิบช่วงที่ไปช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จากกันนะคนจะไปที่วัดชุ่มเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่มากมีรถสักห้าคันพาจากในเมืองแต่ถ้าวันปกตินี้จะไม่มีรถมาจากในเมืองเพราะสายอาหารที่ได้จากชาวบ้าน แต่ก็พอดีที่ลองควรในวัดก็มีทำขอข้าวเสริมให้มีผัดผัดผัดอะไรเร็นม่วงออก้มาครับคุณไวโลตัสครับข อ, อกาสครับ น, น, นานๆจะฝันไม่ดีเมื่อคืนฝันว่าเจราจา ก, การค้าอยู่แล้วคู่ค้าผู้ชายไม่รู้จักการจากข่มขืนในห้องนอนของตัวเองทำให้ตื่นกลางดึกเครียดสุดๆนอนไม่หลับ พอก็ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนําครับความฝันนั้นก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งไม่เกิที่ไม่มีสติในตอนนั้นเวลนานอนหลับเราจะไม่มีสติก็ปลุมความคิดปรุงแต่งได้นั้นมันก็จะถูกอย่างอื่นเป็นตัวปรุงแต่งมันเข้าให้ปรุงแต่งขึ้นมาอาจจะเป็นวิบากกรรมทาบาปไว้นั่นมันก็จะทำให้เราฝันได้ขึ้นมาก็ได้หรือถ้าเราทำดุไม่เราบุญนี้มันก็จะมามาปรุงแต่งให้เราฝันดีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ แต่ก็ยังไงถ้ามันเกิดขึ้นง่ายหรือว่ามันเป็นความฝันแล้วไม่ต้องไปตื่นตระหนกแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปถ้าอยากจะให้ฝันดีท่านก็สอนว่าให้ทําบุญเยอะๆอย่าทําบาปทำบาปน้อยก็ทําบุญแล้วโอกาสที่เราจะฝันดีมันจะมีมากกว่าการฝันลาย คุณ อ, อัมพรบอกว่ากราบสาธุในบุญในทุกคําสอนของพระอาจารย์นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงเมื่อวันก่อนโยมก็ได้เงินตกในห้องน้ําที่โรงงานแล้วก็เก็บไปให้ผู้จัดการเพราะไม่รู้ว่าเป็นของใครพอดีผู้จัดการก็บอกว่ามีคนมาแจ้งไว้ว่าเขาทําเงินหายหกร้อยก็เลยได้คืนเขามาขอบใจถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่ได้คืนก็เคยได้ทองก็เคยได้ก็ เ, เอาไปให้หัวหน้าประกาศหาเจ้าของเขาก็มาเอาคืน บางคนบอกว่าเอาเสียให้เถ็ดขับพระจัตติ์ขอไม่ใช่ของเร า, าเราอย่าไปเอาเขาดีเ่ยคิดถึงโอกเขาบอกแล้วถ้ามีกัินขอเราหายไปแล้วเราได้คืนมาเราจะรู้สึกยังไง ค, คนตาหนีเราต้องให้ของเขาแล้วเขาจะหายตาหนีได้อย่างไรครับเคอร์ดินว่าชนะคนตาหนีได้ด้วยการให้ครับคือการให้นี้เป็นการ เป็นการสร้างมิตรเป็นการให้ความเมตตาส่วนจะไปเปลีป่ยนให้เขาหายตนนี้ได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องผลคอยได้ถ้าก็เห็นเราให้บ่อยๆเขาอาจจะอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีบาหอย่งจะทําตามก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ให้เขายังตันีอยู่แล้วก็ไปห้ามก็ไมได้มันเป็นเรื่องของกิเลส ข, ของแต่ละคนให้นี้ไม่ได้ให้เพื่อให้ให้เขาหายตันนี้ ให้เพือให้เขาเป็นมิตรกับาแล้วมันอเขาเป็นมิตรกับเราเขา อ, อาจจะมีใจอยากจะให้เราก็ได้วันใดวันหนึ่งเพราว่า อ, อาจจะหายตนน้นได้แต่ในท า, า, างต่างไฟต่างตนน้นหนีในการรับประกันได้ไม่มีการที่จะหายต้นหนงในฉันก็โงของฉันเธอก็โง่ของเธอก็ไม่มีการให้กันเลยไม่มีการให้มันก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนกันบางทีเขาให้เราบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเขาให้เราเราก็อยากจะตอบแทนมึนเพื่อเขาเราก็ให้เขาบ้าง มันก็จะช่วยใครายความตันนี้ได้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเราจะหยุดความรักได้อย่างไรครับก็เห็นว่าไม่เที่ยงสิ่งที่เรารักมันไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปดับไปหายไปเวลหายไปจากเราไปเราก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปรักใครอย่าไปรักอะไรเพราะความรักมันทำให้เราผูกพัน ให้เกิดความอยากให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปันานๆไม่ให้จากเราไปเอาันจากเราไปมันก็เลยสร้างความทุกให้กับใจขึ้นมาอย่างชิ้นแรกที่เราไม่นั่งเราจะไม่มีความผูกพันจะอยู่จะไปนี่เราไม่เดือดร้อนชิ้นคนที่เราเกลียดนี่ยไปเม่ไหนยิ่งดีอครับคุณกัญญาครับ พ่อกับแม่เดินไม่ได้ทั้งคู่ตอนนี้เหมือนผู้ป่วยติดเตียงให้ลูกชายดูแลอยู่ส่วนโยมีหน้าที่หาเงินส่งทางบ้านอย่างเดียวแบบนี้เรียกว่าบาปหรือบุญครับบุ้นแล้วก็ช่วยในส่วนของเราเราเฉลิกช่วยแบบนี้แล้วก็ช่วยแบบนั้นไปแต่ได้ที่เราไม่ทอดทิ้งเราก็ทําให้ท่านไม่ต้องทุกข์ทรมาร์ตการที่ไม่มีใครดูนะแลก็ถือว่าเป็นบุญช่วยรบรรเทาความทุกข์ยากเรืนะ่องนั้นแต่บงที เพราะว่าของเรามันอาจจะไม่เอื้อให้เราไปอยู่ท่านไปเช่วยเราท่านโดยตรงแล้วก็สนับสนนในการส่งเงินไปให้น้องชายในคนที่ดูแลก็เหมือนกันก็ได้หรือทำเองแต่ว่าแทนที่เราจะทำเองเราเหมืนก็เอาจ้างคนอื่นมาทําให้กับเราทาแทนเราเป็นลูกคนเดียวครับตอนนี้พ่อแม่ป่วยทั้งคู่อยากได้งานที่ทําที่บ้านได้ขอคําแนะนําชี้แนะหลักธรรมที่ใช้ปฏิบัติตนครับ ก็เดีนี้ก็มีงานหลายอย่างที่เราสามารถทําทําทําที่บ้านได้ก็ลองค้นหาดูว่านึทําสิ่งไหนได้เกอแล้วแต่ต้องใช้ใช้ปัญญาใช้ความคิดอับอันนี้เป็นเรื่องทางโลกที่เราไม่ก็จะถนัดที่จะให้อธิบายให้ทำได้แล้วแต่ว่าเราถนัดอะไรเรามีความสามารถอะไรแล้วสิ่งที่เราทํานี้สามารถขายจากที่บ้านได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปที่ทำงาน หรือแม้เราไปสมัครงานกับบริษัทที่ค้านุยาตให้าอยู่บ้านทำงานได้ก็มีอย่างนี้นี่ต้คนค้นหาด้วยคุณพัชรีครับเราทํางานตามหน้าที่ตําแหน่งอย่างเต็มที่แต่ไม่อยากได้ตําแหน่งเพิ่มเพอาพอแล้วทางโลกถือว่าไม่รักความก้าวหน้าหรือไม่ครับไม่น่ะความสันโดษยินดีตามีตามเกิดมื่อมากน้อย ว่ามันมาน้อยแล้ทำให้เราเปนความสุขไม่ทุกข์กับมันถ้าเรามากมากได้ตาแหน่งเท่าไหร่ก็ไม่อีกมไม่พอด้วขั้นนี้นะก็อยากจะได้ขั้นนู้นต่อมาได้ขั้นนู้นก็อยากจะได้ขั้นนั้นต่อมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความพอใจกับตําแหน่งที่เราได้รับมนเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เราไม่ได้เรื่อนตําแหน่งผมเคยนั่งสมาธิจน จ, นจิต ด, ดับ ไม่แขนไม่มีขาไม่มีลมหายใจใจสงบมากครับพอาจารย์สาธุนี่ะยินดีได้ิได้ดไดดฟังผลางามากทาให้เพื่อนทุกฟังทั้งหลายจะได้ทราบว่าคำพ้องของพระอาจารย์นี้เป็นของจริงของแท้ถ้าปฏิบัติถูกวิธีรับประกันได้ว่าจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนสามเณรสั่งอาหารทางกราได้ไหครับรอาจารย์ใช้เงินตัวเองครับ ก็โดยธรรมเนียมพระในนี้ท่านจะให้ใช้บินตบ้าเป็นการหาอาหารน อ, นอกจากว่ามันมีเหตุฉุกเฉินเช่เช่นน้าท่วมอย่างนี้มันสามารถไปบินตบาดได้ก็าจะต้องสั่งแก๊บหรือสั่งใครมาส่งของให้จักหนุ่มน้อยครับคุณยายให้สีให้พรหลานทุกเช้าทุกคืนก่อนนอนคุณยายบอกทำกับข้าว ทำกับหุ่งข้าวทำกับข้าวใส่บาต ท, ทุกเช้าให้ผมออกไปใส่บาต ท, ทุกเช้าคุณยายบอกว่าคุณยายสวดมนต์ทำวัดเช้ากับเย็นทุกวันครับให้พรหลานทุกวันคุณยายบอกเป็นพร อ, อันประเสริฐจริงหรือเปล่าครับคก็การให้พรก็คือการให้ความปรารถนาดีให้เรามีความสุขความเจริญนะความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้อยู่ที่การให้พรผมพูดอั้นี้เป็นกานให้กำลังใจ พร อ, อมันมาเสด็จที่ท้จริงอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทําดีนะแล้วใจเราเจริญใจเรามีความสุขอันนั้นแหะคือพรอมันมาเสด็จเกิดจากการกระทําของเราเองไม่ใช่เกิดจากการอวยพรของผู้หากมีคนจากไปแล้วเรายังห่วงใยคิดถึงและอยากให้มาหาจะเป็นการสร้างความดึงรั้งกันไหมครับก็กป เ, ยยกเป็นตันท้าความอยากที่าาทา ใ, าให้เราไม่ไม่มีความสุขใจ คิดถึงกันแล้ก็ใจก็จะเศร้าทางที่ดีตัดไปดีกว่ามันผ่านมาแล้วไม่รู้มันจะกลับมาขึ้นเหมือนเดิมได้ไหรือไม่ตอนนี้เราก็อยู่ของเราไปอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันไปชะดีกว่าอยู่กับคนที่งุดหงิดยังไม่พูดเอ่ยไม่กี่คํากลับบอกว่าพอแล้วจบจบกรรมอะไรครับตอนแล้วจะต้องทําอย่างไรครับก็เขาเป็นคนอย่างนี้เขาไม่อยากจะฟังเราเราก็ไม่ต้องพูดกับเขา เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเห็นเด็กเกิดแก่เจ็บเห็นเกิดแก่ตายเห็นความทุกข์ต่างๆแล้วจิตก็พิจารณาธรรมนั้นขึ้นมาอัตโนมัติแต่บางทีหลังจากเห็นธรรมตามความจริงจะเกิดอารมณ์อึมครึมดำดิ่งลงไปขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ครับเพราะยังไม่ปล่อยวางนะี่ยยังไม่อยอมรับความจริงถ้าเรา่ยอมรับความจริงแนใจจ่ใจจะเบาใจจะเย็นใจจะมีความสุข เป็นมะเร็งเต้ า, ตานมไทรอยมะเร็งปอดกำลังรักษาต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถกลับประเทศไทยไปเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่คนเดียวควรจะวางจิตอย่างไรดีครับเป็นห่วงแม่มากๆครับก็สมัยนี้เราติดต่อทางวีเดียคอลได้เนี่ยก็โทรไปกดไปท่านให้เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ได้เนี่ยโทได้ทุกวันเลยสมัยนี้ฟรีด้วยใช้ไลน์คอลนี่ครับแล้วถ้าอยากจะช่วยเหลือท่านก็ส่งหนึ่ไป ก็ายเงินค่ารักษาคนะ่าพยาบาลคนะ่้าอาหารไปคนที่เขาดูแลอยู่ก็เหมือนกันเราไปถึงบ้านแล้วล่ะสมัยนี้เราโชคดีเรามีเทคโนโลยีแล้วเวลาที่ยอมของเราอยู่เราก็ไม่ใครไปเยี่ยมแกที่บ้านแล้วก็โทรคุยกับแกโทรคุยบางวเวรียคอบ้างอะไรไปข้างนี้ยายก็แฮปปี้ล้วได้เห็นหน้าเหนตาแล้วคุยกันแล้วถ้ามีอะไรพอจะแบ่งปันให้เธอได้ก็แบ่งปันให้เธอไป เวลาไปปฏิบัติธรรมและเจอเพื่อนใหม่ๆสุดท้ายเขาหายไปเองเพราะเรื่องเงินบ้างเรื่องอื่นๆบ้างโยมเลยมีความรู้สึกไม่อยากคุยกับเพื่อนใหม่ที่ทักมาคุยเราควรวางใจอย่างไรให้สบายใจครับก็ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เพราะว่ามันมัมนเป็ของไม่แน่นอนเราก็อย่าไปยึดของใครโดยเฉพาะการไปปฏิบัติธรรมนี้แท่นก็สอนไม่ให้ไปสังคม น, นั่นไม่ให้ไปคุก ค, คีกัน ไม่ต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่รูปปฏิบัติธรนมของตนไปจะดีกว่าเพราะถ้าเป็นคุกคีกันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันขึ้นมาพอไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็เกิดความเศร้าใจเสียใจขึ้นมาได้จิตกับสมองมีการทำงานสัมพันธ์กันหรือไม่ครับคือจิตนี่เป็นเป็นคนที่สั่งให้นั่งสมองไี่ทำอะไรตา่ตางตา่างอีกทีหนึ่ง จึ่นจิตจะลุกขึ้นมาเนี่ยจิตก็ต้องสั่งไปที่ส ม, มองส ม, มองก็จะทำหน้าที่ประสานกับกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อให้ขยับขยื่นทำต า, ตามคำสั่งของของจิตได้แต่ส ม, มองนี่ไม่สามารถสั่งงานได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีจิตเป็นผู้สั่งแต่บางทีจิตสั่งแล้วส ม, มองไม่ทับไม่ทาตามก็อาจจะมีความบกพร่องทางทางส ม, มองหรือทางประสาน สัง่งแา้แต่ไม่สามารถสั่งให้สมองไม่สามารถสั่งให้ยกแขนยกขาขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางสมองกับทางร่างกายในคนสัง่งจิ้จิตอยากจะให้รูกอยากจะให้เดินแต่ไม่ยอมลุกไม่รูจะทำไงอครเหมือนนามกับรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับ ừ, ใช่จิตเป็นนาเป็นผู้สั่งการรูปเป็นผู้รับคําสั่งอีกทีร่างกายเป็นผู้รับคําสัง่งสังขารเป็นความคิดปรุงแต่ ทำให้มาฟังธรรมวันนี้ก็สังขารคือจิตเป็ผู้สั่งให้ร่างกายมาฟังธรรมเมื่อเมื่อร่างกายได้รับคำสัง่งไปที่สมองสมองก็สั่งให้ร่างกายเราเปิดคอมมาเตรียมตัวอว้พอถึงเวลาก็จะทําตัดที่ใจสัง่งเด็กสมัยนี้ส่วนมากอยากรวยเร็วแต่ทํางานไม่มากพระอาจารย์มีข้อชี้แนะการปฏิบัติให้ลดความอยากอย่างไรบ้างครับ ก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่ส่วนหนึ่งพ่อแม่ทำไา่ให้เอาใจลูกวัลูกจะทุกข์เนี่ยลูกอยากจะได้อะไรก็รีบหามาให้ทันทีแล้วหาตั้งหลาดก็ไม่อีกไม่พอเขาอยากจะได้ขึ้นมาเรื่อยๆได้บ่อยๆขึ้นก็เลยทำให้เสียเสียคนได้เพราะเมื่อตอนเป็นเด็กได้ทุกสิ่งทอย่างมาอย่างง่ายด้เพราคิดว่าเมื่อต่อขึ้นไปทำมาหากินแล้วก็จะได้มาอย่างเมื่อตอนที่เป็นเด็กก็ได้ แต่ชีวิตจริงในละธารมะกินนี้มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเสมอไปอยากได้แต่อาจจะไม่อยากได้ถ้าอยากจะได้จริงๆก็อาจจะต้องทําทุจริตช่อกงถึงจะได้ยันต้องพยายามอยู่ที่บิดามารดาผู้เลี้ยงดูเด็กให้สอนเด็กให้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ให้รู้จักความมากน้อยสันโดษน้อยอันนี้ก็จะช่วยทําให้เด็กเขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ คุณเล็กครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาเดินจงกรมคําภาวนาพุโทโธเราจับที่จิตหรือไปอยู่การย่างก้าวเดินครับวเวลาเดินนี้เป้าหมายหลายไครับคืต้องโยการเดินของเราด้วยถ้าเรามีอยู่กับพุโทโธไม่ไปสนใจกับการเดินเนี่ยเราก็เดินไปชนสิ่งนั้นเดินไปชนสิ่งนี้ได้ยิง่งเวลาเดินยิ่งเวลาในการเคลื่อนไหวนี่สิ่งแรกที่เราต้องมีสติอยู่ก็คือครับในที่ร่างกาย อยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ที่การกระทําของร่างกายแล้วถ้าเราบังคับให้มันอยู่กับร่างกายไม่ได้มันจะไปชาบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ต้องใช้พุทโธเดี๋ยวกับเของมาที่ร่างกายการเป็นลูกที่ต้องดูแลแม่ติดเตียงนานหลายปีคือกรรมของลูกที่ต้องชดใช้หรือเปล่าครับมันก็เป็นภาวะที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยการตอบแทน และพ่อแม่เขาก็เลงดูเราเราเื้อกี่สิบปีด้วยกันมาถึงเวลาที่พ่อแม่เขาไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกที่จะตอบแทนทุกคนเปนเรงเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มีปัญญาผู้ประเสริฐต้องมีคํามกตัญญูกตัญญาที่รู้คนณของผู้ที่มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณของท่าน พระอาจารย์ครับถ้าเราใช้ชีวิตเป็นคนดีจิตใจอบอ้อมอารีแต่ไม่สามารถรักษาสินให้ได้ครบในชีวิตประจําวันจะเป็นอย่างไรไหมครับพี่บุเธอว่าไม่ดีพอคนดีจริงต้องรักษาสินให้ได้ต้องรักษาสินให้ได้ก่อนที่จะไปทําบุญทําทานเพราะถ้าเรายังทําบุญทําทานอยู่แต่เราเรายังทําบาปอยู่มัน ก, มนก็มันก็ไม่ดีจริงช่วยคนนี้แล้วก็ไปทำร้ายคนนั้นนี่ ไปซื้อของกลับมาถึงได้รู้ว่าเขาคิดเงินผิดครับเกินมาส่วนหนึ่งคืนก็ไม่ได้เพราะอยู่ไกลอย่างนี้จะแก้ไขยังไงครับอาจารย์ก็เราเวล า, าเวลาที่ผ่านไปที่นั่นก็ว่าไปเรคืนถ้าติดต่อโทร บ, บอกก็ได้ก็บอกเขาว่าได้เงินเคินมาอย่างไดอย่างหนึ่งแต่เจตนาของเราคือเราไม่ต้องการที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเรา คือแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมเมื่อเราผ่านร้นนั้วไปแล้วเข้าไปมอาเงินไปคืนครั้งทีก็ได้คุณเข้าฟ่างครับการที่สติคอยเฝ้าดูจิตเมื่อนั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาขึ้นรู้สึกว่าเวทนาอยู่ห่างจากจิตทําให้จิตไม่ทุกข์กับเวทนาที่เกิดขึ้นพระอาจารย์เมตตาแนะนําการปฏิบัติว่าควรทําแบบนี้ต่อไปหรือควรปรับปรุงสิ่งใดครับ ถ้าทาให้ใจไม่ทุกข์ได้ก็ใช้ได้ปัญหาของเราคือความทุกข์ใจเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเราสามารถสอนใจไม่ไปทุกขกับเวทนาได้ก็ใช้ได้วิธีไหนก็ได้ป่วยหนักมากครับเป็นแพนิกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันจิตใจดีขึ้นได้อาการเริ่มดีขึ้นอาการปล่อยวางคือแบบไหนคิดว่าตัวเองทําอยู่ใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ การปล่อยวางก็ไม่มีความยากของสิ่งที่เราเคยยึดติดทั้งเองหมายให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติ่จะยับยั้งชั่งใจอย่างไงดีครับเคยสมน้ําหน้าในใจคนที่เราเคยไม่ชอบตอนเขามีเรื่องเดือดร้อนรู้สึกผิดครับก็มาคิดมุมกลับว่าถ้าเขาเป็นถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นเขาน่าวมากถ้าเราถูกเขาทำอย่างที่เราทําเขาเราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าาอย่างนี้ได้ต่อไปแล้วก็จะไม่กล้าไปคิดสมดังหน้าใครเราก็อยากอยากจะมีความเมตตากรุณาคามากกว่าเป็นทุกข์มากเลยครับพ่อป่วยเป็นสโตรกแต่ไม่ยอมไปหาหมอมีวิธีปรับใจคนเป็นลูกอย่างไรได้บ้างครับลูกสนใจแต่พ่อไม่รับความปรารถนาดีนั้นครับก็มองว่ามันเป็นความสุขของพ่อที่เขาจะไม่รักษาเท่านนเอง เราอยากไปไวุ่นวายกับคำมันเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ไดีเขามีความสุขกับการอยู่แบบนี้เขาไปเขาอยู่เขาไปเพื่อมื่วให้เขามีความสุขทําตามความอยากของเขาเราต้องการให้พ่อมีความสุขไม่ใชนะ่ถ้าความสุขของพ่อก็คือการไม่ไปรักษาก็ปล่อยท่านอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นไปการไปบางคราไปให้ท่านจะรักษาจะทําให้ท่านเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเฮ้ย หนึ่งก็ต้องปล่อยให้ท่านทําไปตามเนื่ อ, องท่านก็เป็นร่าง ก, กายของท่านเป็นความทุกข์ของท่านแต่ท่านมีความพอใจที่จอยู่อย่างนั้นก็ปเป็นเรื่องของท่านทําอย่างไรกับคนที่เคยมีปัญหาและไม่ได้เจอกันอีกแต่ใจยังคิดถึงเหตุการณ์ขัดเคืองไม่หายครับจะแก้ไขยอย่างไรดีครับรก็คิดใ จ, ใจว่าให้อภัยเขาถ้าเกิดเจอเขาคราวหน้าก็อย่าไปถือโอยก่อนเคืองเขา แต่ถ้ายังไม่เจอก็ไม่ต้องไปคิดถึงทำเงินไปเทียการทำอาณาปานสติต้องเพ่งกำหนดหรือดูลมหายใจจึงจะได้ผลครับมันก็คำเดียวกันนะคือให้เราเฝ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูกที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกก็หยุดเธอบริเวณปลายจมูกให้เราเฝ้าดูตรงจุดนั้นเรียกว่าเพ่งก็ได้กำหนดก็ได้ มันก็มันก็เป็นแค่คำพูดเองแต่ความหมายก็คือให้เราจดจอ่อถูกใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออที่ปลายจมเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเองคามหมายก็คือให้เราหยุดความคิดเพราะถ้าเหยุดกับลมนี่เราก็จะเลืมเรื่องที่เราคิดต่างๆได้พอเราไม่คิดหน่วใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ขอาการ์ดครับหนูมีแม่ที่ร่ํำรวยมากแม่ให้ความสําคัญกับเงินเป็นอันดับแรกมาตลอดชีวิตไม่รักษาศีลไม่สนญาติพี่น้องณวันนี้แม่เริ่มชราสมองเสื่อมตามวัยแม่มีทุกอย่างครบมีเงินไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนแบ่งแพงแต่แม่ไม่มีความสุขสงบใจเพราะนิสัยอารมณ์ร้ายเอาแต่ใจคอกด่าคนรอบข้างแบบไม่มีเหตุผลตอนนี้หนูทําดีที่สุดคือเลี่ยงการไปเกี่ยวข้องนอกจากจาเป็นจริงๆเพราะจะโดนหาว่าอยากได้มรดกและถูกตะคอกขึ้นเสียงใส่ ทังที่ไม่ได้ทําอะไรผิดหนูทําแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับก็เป็นการเดียงเดียงการประฉะนั้นประชิญหน้ากันเมื่อเจอกันแล้วทําให้เขาทุกข์ใจเราก็อยากเข้าไปดีกว่าเพิ่งผ่าตัดมะเร็งที่ลิ้นครับคุณหมอเย็บลิ้นสิบเข็มที่คอยี่สิบกว่าเข็มครับเขาสาธุครูอาจารย์สอนภาวนาให้ครับทําให้ไม่มีความกังวลใจครับอาจารย์ครับครับ ธรรมนี้ช่วยได้มากื่องความกังวลใจความวิตกความหวาดกลัวตนะ่างๆครับขอโอกาสครับลูกได้ไปกราบพระอาจารย์เมื่อวานได้อธิษฐานจิตตอนถวายพระห่มแพรที่หน้าพระประธานองค์สีขาวหน้ากุดพระอาจารย์ครับเพื่อถวายบางสกุลให้หลวงปู่ที่ลูกเขารบเพราะท่านเพิ่งละขั น, ขนยังไม่ครบร้อยวันถ้าเป็นผ้าแพรลูกถวายพระอาจารย์เพื่อบังสกุลจะแทนได้เหมือนพระไต่ไหมครับ น่าจะถอยผ้าอะไรก็ได้ครับแต่เรามีเพ่อะรจะถวายให้ก็ถวายให้ไป <c oughs> แต่ผ้าจะใช้ได้หรือไม่ได้การเรื่องของผ้าที่เห็นเพราะผ้าบามกท่านจะนิยมใช้ผ้าเก่าๆผ้าบ า, างสกุลนี่พอเราไปถวายผ้าดีๆท่านก็จะไม่ท่านก็จะไม่ใช้ท่านก็อยากไปทํำมุ่นแทนก็นได้ เป็นคนโสดครับแต่ว่ามีผู้ชายติดต่อด้วยหลายคนแต่พิจารณาว่าเป็นโสดดีกว่าคนจะมองว่าไม่มีหลักฐานมั่นคงหรือไม่ครับค น, คนคนก็จะมองเราอย่างไงเราห้ามก็ไม่ได้ขอให้เรารู้ความจริงของเราก็ากแล้วกันว่าทำไมราถึงทำอย่างนี้เราทำอย่านี้ก็เราเห็นว่ามันทุกข์อยู่คนเดียวดีกว่าะจะมองอย่างไงนี้เราห้ามก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่เรามองอย่างไง ถ้ า, ามองด้วยปัญญาเรามีอะไรมีทุกอยู่คนเดียวดีกว่าเยี้ยเงี้ยมีปัญญาเครื่องดับทุกได้เงินที่เก็บได้ถ้าเอาไปทำบุญให้เจ้าของเงินจะได้ไหมครับรก็ยังคงเงินเขาอยู่ดี่เขายัางไม่อนุญาตเราเลยเราไปใช้ก่อนนะเวลาเขาเู็นเจ้าของอยู่ที่เห่เป็นใครถ้าเรารู้เราก็สง่งส่งไปเครื่ท่านดีจะดีกว่า นอกจากเขาว่าช่วยไปทําบุญได้หน่อ ย, อย้ก็าาสา ม, มารถทำตามตที่เขาสังา่งได้ถามต่อกันเลยครับอาจารย์เคยเก็บเงินที่เก็บได้ใส่กล่องบริจาคแล้วเอาไปฝากอ ป, ประพอครับเงินเราเกิดจะได้คืเนเจ้าของบ้างไอันนี้ก็ไม่ชราบนี่ะกดแห่งกรรมจะสะท้อนกลับคนที่ทําร้ายหรือแทงข้างหลังคนจริงหรือครับ ก็เชื่อกันอย่างนันว่าทำสิ่งใดกับใครก็ต้องได้สิ่งนั้นกลับมากับตนช้ารืเร็วบา ร, รมีสิบสังโยชนิสิบก็คือศีลสมาธิปัญญาด้วยใช่ไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายขยายความหน่อยครับคือสังโยชน์นี่มันเป็นกิเลสโยที่ผูกใจให้เวียนว่ายตายเกิดในตใจพวกส่วนบา ร, รมีนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสแก้สังโยชน์ ซึ่งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีเป็นต้นันนี้เป็นคู่กัดกันระหว่างบา ร, รมีกับสัโยุตตสัมยุตตเป็นผู้ผูกว่างจิตให้เป็นว่ายตายเกิดมารมีเป็นผู้กระปรดเพื่อจิตให้ลดพุนจากการเวียนว่ายตายเกิดการอุทิศบุญกุศลให้ญาติที่เสียชีวิตเขาจะรับบุญได้เฉพาะพพภูมิเปรตเท่านั้นจริงไหมครับจริง เพราะว่าพวกบางเขาไม่สามารถที่จะมาน้าได้พระอาจารย์ครับลูกได้กราบพระอาจารย์นากุดเป็นมงคลอย่างยิ่งครับการที่เคยทำผิดกับปิดามานดาแล้วเรากลับตัวเป็นคนใหม่และไม่ทำผิดต่อท่านอีกกะชดเชยกันได้ไหมครับมันก็ชดเชยไม่ได้ บ, บาปกรรมที่เราทำไม่ได้ทันที แต่ว่าเราจะทําให้มันไม่มากขึ้นได้ด้วยการได้กระทําเพิ่มขึ้นมาอคนที่รักโกรธพ่อกับแม่ไม่ติดต่อไม่กลับบ้านใช้ชีวิตคนเดียวมีวิธีพูดหรือทําอย่างไรให้เขาเลิกโกรธไหมครับก็อยู่ที่เขาสนใจ ย, ยังเรือยนงรู้วิธีหรือไม่ถ้าก็ไม่สนใจไม่ถามเราเราก็ไปทําำเราให้เขาไม่ได้ การที่จะบรรลุโสดาบันได้ต้องมีสติทั้งวันและปฏิบัติสมาธิทุกวันจะได้บรรลุโสดาบันไหมครับคือต้องให้เข้าสมาธิเข้าออปัญญาสมาธิให้ได้การที่จะมีสมาธิได้แบบนี้ก็ต้องมีสติทั้งวันแล้วก็จิตมีสมาธิมีกำลังจิตก็จะปล่อยวางหยุดความอยากได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตา ย, ยได้เมื่อพิจารณาด้วยปัญญ า, าเป็นเหตุที่ทาให้ใจถูก เราก็หยุดความอยากไม่แก่หยุดไม่เจ็บไม่ตายได้ใจก็หายทุกก็บรรลุเป็นพระสนดาวันได้อยากจะออกจากงานเพราะวุ่นวายใจแต่ยังกังวลเรื่องการใช้เงินจะจัดการความคิดกลัวความมั่นคงชีวิตอย่างไรดีครับก็พิจารณาว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะต้องยอมรับกับความเป็นจริงถ้าถึงเวลาที่มันจะต้อง เจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันก็ต้องยอมรับเพราะนี่คือความทุกข์ที่ไดจากการบังเกิดในโลกนี้ต้องมีการพัดท่าจากกันเป็นธรรมนาไม่ใช้กระเวงต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตางมาถ้าเรายอมรับด้วยกายเหล่านี้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์อยู่กับมันไปเราเผลอตียุงที่กัดค่ะโดยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วกล่าวขอโอโหสินั้นเป็นบาปไหมครับ คือถ้าไม่ร่างกายทำเพราแต่การที่บอกวอาเผยเผยจริงหรือเปล่าบางทีมันไม่เผยมันเป็นมันอยากจะให้มันตายมันจะว่าเราอว่า ม, มันเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มไ ม, ม่ไม่เจตนาถ้าไม่มีเจตนามันจะไม่ไปตีมันหรอกคำว่าไม่มีเจตนาคือเราอาจจะเอามือพอดีขยับมือไปกับไปถูกกับ ฟ้าผนัองอะไรๆนี่งอยู่มันอยู่เต็มอยู่กันตายถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีเจตนาจริงๆแต่ถ้าเราเผลอเรบตบาตกแันนี้มันไม่ใช่แสดงว่ามันต้องมีเจตนาแบบนั้นเพราต้องระวังบางทีการอ้าวเขาไม่มีเจตนานี่มันอาจจะเป็นวิธีเลี่ยงบาลีก็ได้เพราะเรื่องในใจเราก็ากอยากเราก็อยากจะตกมันไมนะ่รับ ออกความเมตตาครับคําว่าเวทนาในเวทนาแปลว่าอะไรครับอันนี้มันเป็นภาษาที่เขาแปล ก, กันมาความหมายจากในเชิงวรรคก็คือให้เราพิจารณาเวทนาที่มีอยู่สามชนิดด้วยกันมีสุกเวทนาทุกขเวทน า, ท า, ทนาไม่สุกรทุกขเวทนาอันนี้เราพิจารณาเวทนาในเวทนา โกงเงินเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกับโกงเงินทำบุญของวัดเอาไปใช้ส่วนตัวแบบไหนบาปเท่ากันไหมครับเรื่องที่จํานวนเงินที่เรากงงงมากก็บาปมากกโกงน้อยก็บาปน้อยมันไม่ได้เป็นของใครครับคําถามต่อเนื่องครับจิตแพทย์ให้แม่กินยาปรับอารมณ์เพื่อคนรอบข้างจะได้อยู่อย่างสงบสุขมากขึ้น หนูสงสารแม่เลยบอกไปว่าถ้ากินยาแล้วจะซึมซึมสมองช้าระยะยาวอาจมีผลเสียที่เรายังไม่รู้จักยาได้สรุปแม่เลยไม่กินยาเลยทำให้แม่ยังอารมณ์ร้ายเหมือนเดิมตอนนี้หนูเสียใจไม่น่าพูดห้ามแบบนั้นไปอยากให้แม่เปลี่ยนใจไปกินยาปรับอารมณ์อย่างนี้หนูควรทำอย่างไรครับเม้าแม่เลยเมื่อเราบอกให้แม่ไม่กินได้เราจะบอกให้แม่กินก็ได้คุณจิครับ ถ้าอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ไหมครับมันยังจะอยูอยคนละพบคนบละภูมิมันอยคนละประเทศกันเี่อยู่อเมริกาาก็อยู่ของเขาเราี้อยู่อเมริกาก็อยู่ของเขาเราที่อยู่กาก็อยู่ของเขาราพีกเทพนีาก็อยู่ในโเขรทิ่อู่วเพริกเาก็อยู่ในงเรขงาาราที่อยู่อเมริกาเขาก็อยงาตรา่อยูมริกาเบาก็อยูงคาราที่อเมริาเก็อยู่ของาเรี่่เมริกาขาก็อยู่ารถที่จะต่ดตมอิกาเขาก็อยู่ขงคนา็ส า, าี่อยู่อเมกาเขาก่เเรทีอ แต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกครั้งที่เขมรกับไทยยิงกันใจไม่เป็นสุขเลยใจก็เกลียดเขมรมากขอปัญญาพระอาจารย์และเราควรสอนลูกหลานเกี่ยวกับไทยเขมรอย่างไรดีครับก็เราพยายามใช้ความเมตตามาสอ น, นว่าเราอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันเกลีกยดกันจะดีกว่าเพราะการโกรธกันเกลีกยดกันจะทําทให้เรามีการนั่งแขงจ่อเวทจ้ อ, องกรรมกัน เราจะอยู่ไม่เป็นสุขทั้งสองฝ่ายเรียนช็อปย่อเรียนย่อ ช, ชนะด้วยการไม่จังเลยเขาทำอะไรให้กับเราเราก็อย่างไรตอบโต้ตตเข้าไปเฉยๆไปเพื่อนมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่มากเขาว่าเป็นคนดีแต่ชอบว่าเราว่าคนอื่นตลอดเขาเป็นคนดีไหมครับแล้วอย่างนี้ครบได้ไหมครับ ก็อาจจะต้องแยกเนี้ยก็จะดีบางส่วนและอาจจะไม่ดีบางส่วนก็ได้อยู่ที่ว่าเรารับส่วนที่ไม่ดีของเขาได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้บบองพูดกับเขาก็ได้น้องกราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามว่าการวางใจเป็นอุเบกขามากเกินไปเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่อย่างไรครับอถ้าวางใจ มากเกิดไปเกิดเช่นเรามีหน้าที่ช่วยกันร้างชาตแต่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็ไม่ไปร้างชาตเราไปนอนเะอย่าอย่งนี้ก็าวา่าบังเฉยมากเกินไปละเลยหน้าที่ของเราก็ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเมื่อเรามีหน้าที่เราทำํำเราทําหน้าที่ของเราให้สําเร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วเราค่อยไปพักผ่อนทา น, นันแล้วไปทำอะไรของเราต่อไปได้ ถ้าเราเตรียมข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมแต่ยังแจกไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้นายกมาถึงก่อนกว่าผู้ประสบภัยจะได้ข้าวกล่องบางส่วนกบุดแล้วแบบนี้เราบาปไหมครับไม่แบาปเลยเป็นอะไรว่าเราอาจจะไปไปมไม่เหมาะกับเวลาที่เขากําหนดไว้ก็ได้นบางทีเราก็ไปจากที่อื่นกไ็ได้ถ้าเขาไม่ให้แจกตรงนี้แล้วก็ไปจากที่อื่นกไ็ได้ อันนี้พี่ปูเป้ ค, ครับพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์สอนยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใจทั้งทิ้งกายเลยความปวดกายเลยไม่มากกลายเป็นไม่ค่อยได้ทานยาลุยทํางานต่อได้ถึงแม้ผ่าตัดกะโหลกหลายรอบและเสีอุปกรณ์ระบายน้ําสมองก็ตามการซ่อมมุมปากเลยไม่ค่อยเจ็บกายมากนะครับเรด่องนี้ธรรมะในช่วยทําให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องว่างไกรได การฝึกสติปฐานสี่ที่ว่าได้ผลอนาคามีอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างช้าเจ็ดปีต้องฝึกเยอะแค่ไหนครับยี่สิสี่ชั่วโมงเลยไหมครับก็ต้องปฏิบัติยกเว้นเวลาหลับทั้งนั้นทีนี้เราต้องปฏิบัติอย่างตอนนี้ก็คือสติเป็นเบื้องต้นต้องฝึกสติทั้งวันแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ฝึกสติกับสมาธิให้ชานาญ สามารถเข้าสมาธิในทุกเวลาที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเจริญทางปัญญามาพิจารณสุภาษะาสุภาษะนี่เป็นตัวที่ทำให้จิตนี้ไปหลงรักคนนั้นคนนี้ยังมีการมารมอยู่ถ้าอยากจะเป็นท่านะคาครันีก็ต้องตัดการมารมให้นะได้ด้วยการมองให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นเหมือนซากศพหรือเป็นร่างกายที่มีอาการสามสิบสอง พเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายกามาราคะก็จะดับไปก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้แต่กอรที่จะเป็นพระอนาคามีต้องเป็นพระโสดาบันก่อนไม่ต้องละร่างกายละละละความเจ็บความตายของร่างกายให้ได้เพียงจะสามารถละกามาราคะต่อได้ขั้น ใจปฏิบัติทานศีลภาวนาพราะอยากเจริญสติให้พ้นทุกข์อยากไปถือศีลแปดที่วัดแต่รางงานในหนึ่งเดือนติดกันได้แค่สองวันเลยทําที่บ้านแทนแต่ไม่ได้ผ่านกรารบวชกับพระสงฆ์นะถือศีลแปดไม่ใส่ชุดขาวทําได้ไหมครับสาธุที่เมตตาโปรดครับพอได้ไม่จำเป็นที่ต้องต้องถือศีลกับพระไม่จำเป็นเรื่ อ, องใส่ชุดขาวอันนี้เป็นเพเพ เ, พ เ, ปเปลือกครับนี่โดยประเด็นสาคัญก็คือที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา อยู่ที่ไหนก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายหนระือยากก็อยู่ที่สถานที่ถ้าสถานที่สงบมันก็ง่ายถ้าสถานที่ไม่สงบมันก็จะยากเท่านี้คาถามที่สองครับมีพระสงฆ์ฉันหมากแล้วถวายหมากพรูท่านและอธิษฐานจิตให้ถึงหลวงตาหลวงปู่เป็นการนอบน้อมถึงเพราะศรัทธายิ่งเป็นการสมควรไหมครับเราทำได้แบนก็ไม่มีอะไรห้าม ทุกวันพระคุณแม่จะทําสําหรับอาหารถวายพระพุทธรูปและสารพระภูมิสิ่งนี้ถูกต้องและจําเป็นไหมครับไม่ถูกหรอว่าพระพระพระพุทธรูปกินกินอาหารไม่ได้โ ด, โดยปกติโดยธรรมเนียมเราจะไม่ถวายอาหารให้กับพระพุทธรูปแต่เราจะถวายดอกไม้ทุกทีเนื่อว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราถวายในการปฏิบัติบูชาก็คือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า มืทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเรารู้ว่าเพื่อนร่วมงานจะทุจริตเขียนโครงการเบิกเงินเท็จไม่ได้นําไปใช้ในโครงการจริงเราควรจะบอกหัวหน้าหรือวางเฉยดีครับก็อยู่ที่หน้าที่ เ, ร, เราไม่หน้าที่จะบอกหรือเปล่าถ้าเราไม่บอกเราอาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่เราก็จะถูกทุทษได้ งั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งหรือเปล่าถ้าไม่มีหน้าที่ก็อยู่เฉยๆไปก็จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเองแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทําตามหน้าที่แล้วผลกระทบที่จะตามมาเราก็ต้องยินดีรับมันรับกับมันนี่ก็อาจจะกวดเราเกลียดเราหรืออาคฆ่พยาบาลเราที่มันก็ได้โยไม่เข้าใจสถานปฏิบัติบางแห่งไม่มีการนั่งสมาธิแต่เน้นการทํางานและฟังธรรมะแทน แต่กลางแห่งนั้นเต้นนั่งสมาธิสงสัยว่าผลการปฏิบัติแบบตั้งใจนั่งสมาธิทําจิตให้ตั้งมั่นจะได้ผลต่างกันอย่างไรครับก็อาจจะเน้นการเจริญสติก่อนก่อนที่จะเร่มสมาธิอาจจริ่ผู้ปฏิบัติบางรายส่วนใหญ่ก็นั่งก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็เลยมาเน้นในการทํางานให้ในการจะฝึกสติไปกับการทางานก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ของแต่ละสำนักเขาจะ ก็จะมีความคิดเห็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่พูดไม่ได้อยากจะสวดมนต์ครับควรจะสวดบทไหนดีครับควรได้ทั้งบทที่เราชอบที่เราจําได้แผ่เมตตาแบบไหนดีครับให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านครับการแผ่เมตตานต้องแผ่ในการกระทําไม่ได้แผ่ในการสวดที่เราอยากจะมีความเมตตา กับคนนั้นคนนี้เราก็ซื้อค้าวซื้อของไปแจกหรือว่าถ้าก็ทุกขยากอย่าง้านเท่า น, น, นี้น้ำท่วมแล้วก็าอาหารหารของจะเป็ไปแจกให้เขาอันนี้เราเการสราา้างความเมตตาจิตสุดท้ายที่ออกจากร่างสามวันแรกจะยังไม่รู้ตัวเจ็ดวันถึงรู้ว่าตายแล้วควรจะเผาภายในกี่วันจึงจะเหมาะสมครับอาจารย์มันไม่จริงรอ่ะเวลาจิตกําลังหายยาวจา่การนี้จากกาิตก็เหมือนกับ อยู่ในอยู่ในโลกของความฝันนะจิตไม่รู้ตอนเองตายจิตก็จิตจไม่ตายสิ่งที่ตายก็คือร่างกายการที่เขาจะเก็บร่างกายไว้สักพักเพื่อความแน่ใจเพราะมีกรณีบางคนไม่ได้ตายจริงเราถ้าไปทําให้เขาตายมันก็อาจจะเป็นการฆ่าเขาแล้วเราจะให้เก็บไว้สักพักหนึ่งให้มั่นใจหน่อยว่าเขาไม่ไม่ ไม่ไม่ฟื้นกลับคืนขึ้นมาแล้ ว, ลวเราค่อยไปัำการชาปนกิจต่อกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับเราจะวางใจอย่างไรถ้าเห็นคนที่ไม่ทํางานแต่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพียงเพราะเป็นเขาเป็นหน้าห้องเป็นลูกท่านหลานเธอหรือมีเส้นสายแต่เราทํางานเต็มที่กับอยู่ที่เดิมครับก็มารมีไม่เท่ากันนะที้ก็ อ, อาจจะเคยทําสร้างทานมารมีมามากกว่าเร พอมาเกิดครบเนื้อชาตินี้เขาก็เลยรับมาให้สงของทานบา ร, รมีอถ้ะได้เงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ต้องวิ่งหล่นแต่เราอาจจะไม่เคยทําบุญทําทานมาก่อนเราเราก็เลยไม่มีบุญบา ร, รมีมาส่งเสริมให้เราเราก็ต้องทําทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีะที่เหมือนกับเขาแต่เขามีบุญบา ร, รมีเขาเลยไม่ต้องทํางานเขานัหรือเฉยเขาก็ได้มผนก็มีแต่ว่ตาต่างกันที่บุญบา ร, รมี ถ้าเราแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญบาไมีนี่แข่งกันไปได้ต้องทำต้องสร้า ง, าง <Okay. S 2> ขึ้นมาเองหน้าที่กับอุเบกขาควรยึดตัวไหนก่อนครับก็หน้าที่ก็ต้องมาก่อนแล้วก็อุเบกข า, าต้องไปพร้อๆกันถ้ามีอุเบกขาแล้วทำงานก็มันก็เราจะาก็จะไม่ถูกกับงานที่เราทำแต่ถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีอุเบกขาบางที ความอยากของเรามันก็จะทําให้เราทุกกรรงานที่เราทําได้แต่ถ้าเราทําโดยไม่มีโดยไม่มีความอยากทํำด้วยเบิกขาทำด้วย ท, ทำตามเหตุตามผลตามทํามเน้อเนื้อผ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราก็จะไม่ทุกข์คนที่อ้างขอเรียอะไรเงินชวนทําบุญแต่เอาเงินเราไปใช้อย่างนี้บาปมากไหมครับก็หลอกลวงไงทั้งหลอวงชอบโกงสัก มีผู้ถามบอกว่าอยากจะสวดมนต์พระธรรมเจ็ดคำพีที่แปลแล้วเข้าใจง่ายครับอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์เคยดีไหมครับแล้วจะหาจากที่ไหนได้บ้างครับในเน็ต น, น่าจะมีนะเราค้นหาดูใส่ใส่พระธรรมเจัดคพีตุ๊แปะอยู่เนี่กยก็จะมีผลขึ้นอาจารย์รู้ไหมครับคืออะไรอ่ะครับอาจารย์ไม่รู้เพราะเราไม่ได้สวดไม่ได้ศึกษามัานสวดแต่บูช่างๆง่ายๆอลังจำนาเท่า น, านั้นเอ เวลาที่มีอะไรไม่ถูกใจทําให้หงุดหงิดอารมณ์เสียขอวิธีลดความโกโรธและปล่อยวางให้ได้ครับที่ ห, หอารมณ์เสียเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้พอไม่เป็นตามที่เราอยากแล้วก็งุดหงิดขึ้นมาแล้วก็ว่าต้องเปลี่ยนใจเราเราอยากไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนนนว่าให้มันเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยของเราคือเราต้องมีสันโดษยินดีตามมีตามเกิดถ้าเรามีความยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่ก่อใคร จะไม่มีคำวนันหยุดเพ่าอะไรสถานที่ไม่สงบฝึกสติอย่างไรครับระหว่างทำงานครับก็พยายามให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอย่าไม่สนใจกับเสียงรอบข้างน้นาสะพ้ยเขาดูแลแม่ของโยมและเขาดูแลลูกสาวของโยม ตอนนี้โยมยังไม่มีเงินยังไม่มีปัญญาที่จะกลับไปตอบแทนโยมควรจะวางใจอย่างไรครับก็จารย์ก็าวางใจมากเลยทำไม่ได้ยังไม่อยู่ในวิสัยที่เราทําได้ทําบุญแล้วนึกถึงการทําบุญจนใจปิติสุขใจปิติสุขเขาบอกว่าเป็นการทําสติแบบหนึ่งจริงไหมครับอาจารยไร์ไม่จริงนุไม่จริงวันนู้นนะอันนี้แล้วแต่ วิการเจริญสติมันมีกรรมฐานสี่สิทชนิดที่ใช้เจริญสติเช่นอนาปานสติมอนานุสติอย่างเงี้ยเียก่าในการเจริญสติอันนีกคิดถึงบุนนี้เป็นเป็นการเจริญสติหรือไม่นี่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ยินมาก่อนไม่ไม่น่าใจ สามีไปมีเมียน้อยจะไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายให้ลูกโยมและยึดเงินและทองเอาไว้ถือว่าผิดศีลข้อลักทรัพย์ไหมครับถ้าเป็นของเข้ามันก็ผิดนะการพิจารณาสังขารต้องพิจารณาขณะที่จิตรวมหรือเมื่อจิตกำลังสว่างสงบอยู่หรือต้องถอยออกมาก่อนครับอาจารย์ ความจริงต้องพิจารณาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิว่าในขณะที่อยู่ในสมาธิเราจะไม่มีความที่ปุงแต่งเพรนต้องราให้ออกจากสมาธิตามก่อนแลพิจารณาว่าร่างกายนี่เป็นของไม่ที่าการเจบ็บป่วยเป็นธรรมดาเตรียมทุกตเตรียมสอนใจเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วต้องมาพิจารณาครับตอนใจอของจริงตอนที่เจอกับความแก่เจอความเจ็บเจอกับความตายั้นนั้นต้องพิจารณาอย่างอย่างอย่างพ อย่างสุดๆเพื่อจะให้ปล่อยวางเมื่อไม่ให้ทุกข์กับมันให้ได้สงสัยว่าคนที่เป็นมะเร็งที่สมองร่างกายขยับเองไม่ได้ทำไมจิตถึงสั่งร่างกายให้ขยับไม่ได้ครับก็ร่างกายเหมือนล้อยนต์ถ้าเรายนเสียคนขับก็ไม่สามารถสั่งให้ล้อวิ่งได้ชัดเจนเลยครับอาจารย์ คุณแม่เป็นมะเร็งเสียก่อนเสียทรมานมากจึงให้มอฟีนแล้วท่านก็ค่อยหลับไปครับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับอยู่ที่เจตนาว่าเราให้เพื่อให้ท่านท่านตายหรือไม่ถ้าให้มีเจตนาให้ท่านาท่านหลับตายเลยก็บาปแต่ถ้าให้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดก็ไม่บาปจะต้องรู้จักประมาณเหมาะสมที่ยังไม่ทําให้เขาตาย พ่อแม่ให้เงินเรามาแล้วเราแบ่งเงินไปทำบุญพ่อแม่ได้บุญด้วยไหมครับพ่อแม่ได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เรามาแล้วส่วนเราจะไปทำอะไรนี้มันเป็นเป็นบุญของเราไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เนะนี่ยคนคนละขั้นตอนกันพ่อแม่ได้บุญจากการให้เงินกับเรามาแล้วเราจะอาเงินไปทำบุญนี้มันก็จะเป็นบุญของเราไม่ได้เป็นเป็นบุญของพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งในครั้งเดียว คุณตุ้มบอกว่าขอคำอธิบายคำว่าใจกับจิตครับอาจารย์ครับเป็นคำที่ใช้แทนกันได้จิตใจไมาถทถกท่านรู้ที่มีความรู้สึกและคิดตอนนี้คำถามใกล้หมดนะครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับใครที่มีคำถามสามารถจะส่งเข้ามาได้นะครับ คุณร่มเย็นครับถามว่าการที่คิดบ่นว่าคนในใจเป็นมโนกรรมเป็นอกุศลใช่ไหมครับถือว่าผิดศีลห้าหรือเปล่าครับสงสัยว่ามีคนบอกว่าไม่ผิดครับอาจารย์ยังไม่ผิดอ่ะถ้าไม่ออกมาทำวาจาหรือจาัด ก, การการะทําถ้าเราไปทําร้ายเขาแล้วมันถึงจะผิดเวลาเราบ่นมาในใจเนี่มันเป็ น, ปนอกุศล ม, มันทําให้ใจเราไม่สบายมันยังไม่เป็นบาปเป็นกรรม กิเลสกับขันห้าต่างกันอย่างไรเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับคนตัวกันขันห้าก็คืออาการของจิตจะอาการของร่างกายร่างกายร่างกายนี้เราเรียกว่ารูปประคันหนึ่งในขันห้าก็คือร่างกายส่วนอีกสี่ขัน ท, ที่เป็นนามประคัคือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญ า, ญญานนี้เป็นอาการของใจพิทครับเป็นความสามารถของใจ ใจสามารถมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สามารถคิดถูกแตะเนื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้สามารถจำได้หมายรู้กับสิ่งต่างๆที่สัมผสัสต่างๆของจิตวิญญาณแล้วก็สามารถรับารูปเสียงกลิ่นรสจาร่างกายมาเข้ามาสู่ใจได้นี่คือขันห้าชยกิ่แรกคือความโลภความโกรธความหลงกับสิ่งที่ที่ใจไปรับรู้มา เช่นไปเห็นรูปเห็นเสียงได้ยินเสียงมาแล้วก็เกิดความรูกขึ้นมาแล้วกเกิดความเกิขึ้นมาอันนี้เป็นกินเลสเวลานั่งสมาธิเราควรพยายามนิ่งและไม่คิดให้ได้นานที่สุดใช่ไหมครับต้พยายามให้มีสติแลไปบังคับให้มันนิ่งไม่ได้เราต้องใช้อุบายของสติให้มีสติดูลงไปแล้วพูทเถไปแล้วพอถึงเวลามันก็จะนิ่งของมันโดยอัตโนมัติ พอมันนิ่งแ้วเราก็ไม่ต้องทําอะไ ร, ม, ไ ม, ร ม, ะะำำมันก็จะริ่งไปเรื่อยๆ่ปมันจะหมดสเตจจะหมดกาลังมันก็จะเริ่มทิ้งเลคุณสงบใจถามครับการไม่เจริญก้าวหน้าในทางโลกอาจเป็นเพราะขอเจริญก้าวหน้าในทางธรรมหรือไม่ครับอาจารย์ก็แล้วแต่ถ้าเราทุ่มเทให้ทางใดทางหนึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าถ้าแบ่งไป อ๋อทั้งทำทำด้วยทางนอกนี่มันก็อาจจะแบ่งเป็นสอส่วนครึ่งหนึ่งคนละครึ่งยุนี้มีการให้ครละครึ่งแบ่นครับอ๋อก็จะเรียนทางทางครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเรียนทางโลกครึ่งหนึ่งถ้าถ้าเราทุ่ม เ, เทให้กับทั้งสองทางาเราต้องการให้มันจเจริญทางใดทางหนึ่งเราก็ต้องทุ่มเทไปทางนั้นทางเดียวฐานของจิตควรจะอยู่ที่ไหนครับที่หน้าผากที่ใจหรือที่ท้องน้อยครับ ฐานของจิตที่ท่านยังอยู่ที่ความสงบจิตนิ่งสงบอันนั้นคือฐานของจิตะการที่เราไปกําหนดว่าดูที่นั่นที่นี่มันไม่ใช่เป็นฐานของจิตเป็นฐานของสติคือการตั้งสติว่าเราจะต้องการตั้งสติไว้อยู่ที่ไหนเช่นท่านตั้งสติอยู่ที่เราหายใจก็แล้วก็ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ตั้งอยู่ที่หน้าท้องถ้าเราต้องการจะตั้งสติอยู่กับพุทโธเราก็อยู่ตั้ง ตั้งอยู่กับคำบริการพูดโถม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่คำบริกรับขอพระอาจารย์แนะนําวิธีอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วครับก็เราจะอุทิศบุญกุศลได้เราต้องทําบุญก่อนบุญที่เราจะอุทิศได้ก็บุญที่เกิดจากการทําทานเช่นบริจาคเงินให้กับใครก็ได้บริจาค完了แล้วเกิดกความสุขใจอันนี้คือบุญ พอเรได้บุญนนี้มาแล้วก็บอกเขาคิดส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอธิษฐานคิดปรายใจแค่ น, นี้ก็สําเร็จไปหมดได้การสวดมนต์และทําสมาธิช่วยในเรื่องการฟื้นฟูเซลล์ต่างๆของร่างกายให้ดีขึ้นได้ไหมครับอันนี้ไม่ทราบ ม, มีการวิจัยหรือเปล่าไม่สามารถตอบได้ทางจาตทางศางสานาเ น, นี้เราต้องาการที่จะให้จิตสงบ ให้จิตไม่เครียดไม่จิตฟุ้งซ่านการเรื่องคนกระทบต่อร่างกายนี้ไม่ทราบมีมีผนอย่างไรนั้นทราบถ้าพูดเตือนสติเออขออภัยครับถ้าพูดเตือนสามีกับลูกแต่เขาบอกว่าเราชอบบน่นจะต้องทําอย่างไรครับก็หยุดแต่ก็ไม่ยินดีจะฟังก็อย่าไปโทษ มีคำถามว่าปีใหม่ที่วัดยาดเปิดให้เข้าพักปฏิบัติธรรมไหมครับแล้วอยู่ที่วัดก็เเปิดได้ทุกวันนะเปิดตลอดเวลาแต่จวอยู่อย่างอย่างตากต้องอยู่อย่างน้อยสามวันขึ้นไปก็ไม่ให้อยู่แค่คืนเดียวแล้วก็กลัวจะคนจะมาใช้วัดเป็นที่พักอาศัยเวลาคนเดินทางไกลเนี่ก็บางว่าพักที่นี่สักคืนหนึ่งก็เลยกำหว่าต้องอยู่สักสามวันสามคืนเป็นอย่างตา่าแต่ก็ไม่ให้เกินเจดวันเจ็ดคืน งั้ถ้าอยากจะมาอันตอนไหนก็สามารถจองได้ลงหน้าติดต่อสำนักงานทา ง, งว่าต้องมีเวอรทรให้เราโทรไปแล้วจองที่พักได้แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีเทศกาลนี่จะเต็มอยู่วันนี้อาจจะเต็มแล้วก็ได้เช่นปีใหม่นี้ก็จะมีวันอยูดท่าวันันึีงใ่ไหมคุณหมอครับใช่ครับรท่าห้วันถ้าเราจะมาช่วงนั้นอาจจะช้าเล็กน้อยแล้วก็ได้คนไหนเขาอาจจะจอง ม, มือห ม, มแบบดแล้วก็ได้ ช่วงหลังๆนิยมใช้ชีวิตแบบปล่อยช่างหัวมันไม่คาดหวังอะไรปฏิบัติดูลมหายใจทุกวันได้ความคิดฟุ้งน้อยลงรู้สึกสบายขึ้นอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์เพิ่มเติมครับก็ทำให้ไปเรื่อยๆอย่าหยูดอย่าละปล่อยให้มากขึ้นยิงใหญย่างดีในรู้สึกจะปล่อยร่างกายได้ยิงสบายใจ ได้ยินคนที่พูดคำหยาบแล้วไม่ชอบครับจะทำใจยังไงครับก็มันทาใจเฉยๆเราไปห้ามเขาไม่ได้ใครก็จะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปพูดกันแล้วกันการสวดมนต์สามารถกำจัดเพศภัยหรือบรรเทาเพศภัยได้หรือไม่ในสมัยพุทธกาลมีการสวดมนต์กำจัดเพศภัยไหมครับ การเสริมวันนี้กําจัดเพศภายทางจิตใจคือความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆในใจหากเราพิจารณาว่าสุขกับทุกข์อยู่กับเราไม่นานบ่อยๆเราจะละ ก, กิเลสได้ในที่สุดหรือเปล่าครับถ้าเราถ้าเราไม่ไปยึดดไปติดแล้วก็ละได้คือสุขก็ปล่อยมันสุกไปทุกข์ก็ปล่อยมันทุกขไปอย่าไปอยากให้มันสุขอย่าไปอยากให้มันไม่ทุกข์เราก็ละกิเลส ถ้าเรานับถือหลวงพ่อองค์ไหนสวดคาถาของท่านอ๋อนี่ไม่เกี่ยวครับอาจารย์ลูกเขียนว่ามีลูกคนนึงนะครับเขียนว่าไม่มีวันคุกเข่าขอโทษแม่จนวันตายจากกันกรรมนี้จะตกกับเขาเพียงใดครับไม่ทราบเนมีผู้ถามว่าเกิดเกิดดับดั บ, ดบหมายถึงอย่างไรครับอาจารย์ก็เวลากิดเหมือนไฟเวลาไฟมันติดมันก็เกิด เวลาไฟเปนดำมันก็ดับความคิดมังแต่กหักเกิดเกดำดำิดดำดำพอคิดตรงนี้แล้วก็หยุดคิดตรงนี้แล้วก็ไปคิดตรงนั้นต่อมันก็เกิดดำนนในเวทนาเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุกเวทนาแล้วเดี๋ยวสุขเวทนาก็ดับไปทุกวเวทนาเข้ามาแทนที่ลายธรรมเราเนี่ยเรีกว่าเกิดดำเกิดดำ พ, พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าใครเอาเลื่อนมาหันเราเป็นสองท่อนก็ห้ามโกรธตอบถ้าเป็นศิษ ตถาคตทําไมเป็นเช่นนั้นครับเพราะการโกรธนี่ยทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไป่ถ้าเราไม่โกรธใจเราก็ยังไม่ทุกข์เจ็บแต่ากายแต่ใจไม่ไม่จิตแต่ทาอย่างไรให้จิตใ จ, ใจสงบไม่เครียดเพราะวิตกเรื่องโรคของมะเร็งของตัวเองครับก็้องมีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก็ได้อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องของร่างกาย พอไม่คิดถึงเรื่องของรารกายความชุกขกความเกีียวกับร่างกายก็จะหายไปชั่วคราวเห็นบางคนกราบพระแบบเล่นไม่เคารพในธรรมผิดไหมครับก็เป็นเรื่องของเขาผิดถูกมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทำอย่างไรเราจึงจะออกจากรูปลดกลิ่นเสียงสัมผสัสให้ได้มากที่สุดครับต้องฝึกอย่างไรครับ ก็ต้องอย่างน้อยเจอสิ่งแปดเป็นปกติให้ได้เขาจะลดการไปเสียงรูปเสียงกินลดได้พอสมควรแล้วขั้นที่สองก็ไปปีกเว้ยอยู่ในป่าให้เขาอยู่ตามว่าป่าไว้เขาที่ไม่มีรูปเสียงกินลดให้เราเสี่ยงแล้วขั้นที่สามก็ฝึกสตินั่งสบายที่หันใจให้นิ่งหัวใจนน่งใจก็จะไม่ไม่คิดถึงรูปเสียงกินลดอีกต่อไปแล้วขั้นที่สี่ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการเสียงรูปเสียงกินลดนี้เป็นทุกษ ก็เป็นของไม่เทียมเวลาอยากเสกแล้วไม่ได้เสกมันมก็จะทุกข์อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการที่เราจะกำจัดเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการปติรูปเศรษเกิจเราได้อย่างถาวรคาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับการเรียนถามอาจารย์ขณะเดินจงกรมควรหลับตาหรือลืมตาและกลําหนดอย่างไรครับเวลาเดินต้องลืมตาสิไม่นเดินเดินชนสิงดนินสีนี่เดินไปเหยียบงูเหยียบอะไรครับ จำเป็นอย่างยี่งที่จะต้องมีสติอยู่การเดินในเบื้องต้นต้องดูว่าเราลองเหยียบอะไรหรือเปล่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรงนี้เราก็ใช้คำอะไรับพูดเธมาม า, มางับความ ค, ามคิดผุนแต่งอีกทีหนึ่งขอโอกาสครับพอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ด้วยกันในเฟซสามรอยสี่สิบแปดในยูห้าร้อยสี่สิบเก้าในคลับแปดนะครับใน t ิ k ตอ k สี่ร้อยสี่สิบสองครับ รวม 1,347 คนนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา12นาทีครับพระอาจารย์ตอบไป120คำถามครับผม่ อ, อขอให้มีความสุขความเจริญจากการใน้สนทนาธรรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปสรการแสดงการสนทนาธรรมในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรเกี่ยวเวลาลวขอให้ท่านจอมามเอาสิ่งที่ท่านได้ได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ แล้วความสุขความเจริญก้าวหน้าในยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, น, นี้ถ้าไม่มีเหตุการเข้ามาใดก็คุณจะได้พบกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ